เวลาที่เราฟังเทพนะคืเป็นเวลาสําคัญเหมือนเวลาที่เราเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านปรินิพานแล้วท่านบอกไว้ว่าถ้าทำวินัยเนี่ยเป็นกษัตริดาแทนท่านเป<ม>็นตอนนี้ร่างกายท่านไม่มีแต่ธรรมะของท่านยังอยู่อันนี้แหละจะแทนตัวท่าน เวลาที่เราฟังธรรมะนี่ก็คือเวลาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเราฟังด้วยความเคารพอ่อนน้อมตั้ง อ, อกตั้งใจน้อมใจรับกระแสธรรมะระหว่างเราฟังธรรมนะนั่งให้สบายไม่ต้องกำหน ม, มือก็ได้ทางร่างกายไม่เท่้าไหลหรอกจุดสำคัญอยู่ทางใจของเราใจของเราสงบรู้เนื้อรู้ตัวมีสติอยู่ เวลาเราฟังธรรมนะฟังด้วยความเคารพรสัมรวมสงบหลวงพ่อสแสดงธรรมะเนี่ยไม่ได้มีโผมา ก, ก่อนนะนั้นใจของพวกเราคุณภาพแค่ไหนธรรมะก็มีแค่นั้นนะถ้าใจพวกเราพูกสนนะรรมมกั้นธรรมะมันก็ไม่มีนี่ธรรมะของพระเจ้าเนี่ยเราเรียนกันด้วยใจไม่ใช่เรียนด้วยการคิดเอา กว่าที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ธรรมะมาได้นะลำบากยากเข็นมากเนยท่านลองผิดลองถูกนานแสนนานในตําราได้ว่ามาเป็นบารมีทั้ง20่สะสงค์ไขแสนมหากรรมทำมา16อหกปสงค์ไขแล้วนะถึงได้รับพยากรจากพระพุทธเจ้าที่บังกรนว่าต่อไปจะได้เป็นพระุทธเจ้าหลังจากได้รับพยากรยังสร้างบารมีมาอีกนานแสนนานสี่ปรสงค์ไขแสนมหากรรม มหากับหนึ่งก็คือตั้งแต่จักรวาลเกิดจนจักรวาลแตกทีนึงอสงไข่ก็คือ10ยกกำลังร4 8สประมาณนั้น น, น่ะนานช่วงเวลางั้กว่าที่ท่านจะได้ธรรมะม า, มานีย่ยากเย็นแสนเก่นมากกระทั่งในชาติสุดท้ายเนี่ยกว่าท่านจะได้ธรรมะแล้วก็ใช้เวลานานท่านครองเพศคาวาตอยู่29ปีในฐานะเป็นเจ้าชาย มีชีวิตที่มีความสุขอยากได้อะไรก็ได้พวกเราอยู่ในโลกลเราก็อยากมีชีวิตแบบเจ้าฟ้าชายเจ้าฟ้าหญิงอะไรนี้ท่านอยู่ในสภาพของเจ้าชายทั้งย9่สิบก้าปีท่านเห็นว่ามันไม่มีสาระต่อไปพ่อแม่ท่านก็ต้องแม่ท่านไปก่อนสิ้นไปก่อนแล้ต่อไปพ่อท่านก็ต้องตายตัวท่านก็ตายคนที่ท่านรักก็ต้องตป งันการที่ใช้ชีวิตเรินไปวันหนึ่งวันหนึ่งเนะีท่านเห็นว่าหาสาระอะไรไม่ได้คนเรามันควรจะมีสิ่งที่มีคุณค่าในชีวิตมากกว่าสัตว์ทั้งหลายธรรมดาธรรมดาอย่ยงคนทั่วๆไปเขาไม่มีธรรมะเขาไม่เคยเรียนเขาไม่เคยฟังตอนเด็กๆ เ, เขาเรียนหนังสือตามๆเกินไปคนอื่นเขาเรียนเราก็ต้องเรียนเรียนหนังสือแล้วก็จบแล้วมาทางานตามๆกินไป หาเงินหาทรัพย์สมบัติตามๆกันหาครอบครัวตามกันไปนะมีลูกมีหลานตามคนอื่นเขาไปสุดท้ายก็ตามคนอื่นเขาอีกนะแก่ตามคนอื่นเจ็บตามคนอื่นแล้วตายตามคนอื่นชีวิตเลยหาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้เลยชีวิตเราไม่ใช่เป็นเหมือนสัตว์สัตว์มันก็อยู่อย่างนั้นแหละโตขึ้นมาหาอยู่หากินนะออกรูออกห ล, ลานแล้วก็ตายไป คนไม่ใช่สัตว์นะไม่ใช่มีชีวิตที่ต่าต้อยขนาด น, นั้นนี่ท่านจะคิดว่าทำยังไงนะชีวิตท่านนะจะเข้าถึงความสุขที่เป็นอมะตะได้เข้าชีวิตถึงชีวิตที่สมบูรณ์แบบชีวิตที่อยู่บนโลกอย่างพวกเราอยู่เนี่ยยังด้อยอกว่าที่ท่านเคยอยู่เราไม่ใช่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินอะไรแตมาหากินในสุขปางทุก้าง ขนาดท่านฐานะดีกว่าเราท่านจะรู้สึกหาสาระไม่ได้ที่พวกเราก็ออย่าหลงกับโลกมากนะพยายามหาสิ่งที่เป็นสาระแก่นสารในชีวิตให้กับตัวเองบ้างตอนที่ท่านออกมาบวชนะสิ่งแรกที่ท่านทำนนก็เหมือนกับพวกเราตัานเองเวลาพวกเราคิดถึงการปฏิบัติธรรมเนี่ยสิ่งแรกที่พวกเราทำก็คือไปหัดนั่งสมาธิรู้สึกไจะปฏิบัติธรรมต้องนั่งสมาธิ เจ้าชายสิทธัตถะเขคิดอย่างนั้นเนี่ยพวกเราก็คิดเหมือนเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะคิดว่าการปฏิบัติธรรมต้องนั่งสมาธิใช่ได้ไปหาดนั่งสมาธิกับฤศีอาราตะดาบทุทักดาบทได้ฌานที่เจ็ดฌานที่แปดเป็นอรูปฌานอารูปฌานที่เจ็เนี่ยจับความไม่มีอะไรเลยไม่ยึดใน่ยึดทั้งอารมณ์ไม่ยึทางจิตมันปล่อยทั้งสองข้างจิตก็ไม่จับอะไร อันนี้ก็ท่านก็เห็นว่ายังไม่ได้ผลอะไรท่านต็องไปเรียนต่อไปอีกองเกีวิดาบทได้ชาตที่แปดชา้นที่แปดเนี่ย<ม>ความรู้สึกตัวเนี่ยเกือบจะดับแต่ท่านพบว่าพอถอยออกจากสมาธิมาแล้วนะจิเลสมันก็กลับมาเหมือนเดิมพวกเราใครหัดน้างสมาธิบ้างมีไหมทีนี้มีไหมเคยรู้สึกไหมฝึกมาหลายๆปีนะถ้าฝึกหลายๆปีอาจจะรู้สึกว่า มันวนเวียนอยู่แค่ว่าสงบแล้วก็ฟุ้งฟุ้งแล้วก็สงบชีวิตมันมีอยู่แค่นั้นเองเหรอมันต่ําต้อยเกินไปเรื่องสมาธิหลวงพ่อทําตั้งแต่เด็กตั้งแต่เจ็ขวบเรียนจากท่านพอลีวานาโซคารามท่านเข้าสมาธิเก่งไปเรียนจากท่านตอนเล็กๆหากนั่งสมาธิทำอนาปนสติมันก็ได้แค่ว่าสงบแล้วก็ฟุง้งสงบแล้วก็ฟุง้งเช่นชาตีิทัตถะท่านก็ค้นพบว่า นั่งสมาธิแบบฤาษีนะี่นไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลยไม่ทําให้พ้นทุกข์จริงหนอกมันพ้นทุกข์ตอนที่จิตสงบรวมเข้าไปอยู่ในองค์ชานพอจิตถอยเอกจากฌานมันก็ฟุ้งอย่างเกา่ากิเลสมันก็กลับมาอีกนะใช้อะไรไม่ได้ใชาก็เลยคิดว่าเป็นปนั่งสมาธิอย่างนี้ยไม่ใช่ทางท่าก็ค้นหาทางต่อไปอีกนิดสมัยของท่านเนี่ย พวกนักบวชนะมีกลุ่มใหญ่เลยที่ใช้วิธีทรมานตัวเองพวกนี้ไม่ได้โง่นะเราทีเราคิดว่าพวกนี้โง่ความจริงพวกนี้ก็ฉลาดเขาก็มีวิธีคิดของเขาเหมือนกันอย่าเขารู้นะว่าถ้ามีตัณหามีความอยากพวกเรารู้จักตัณหาไหมถ้าเรามีความอยากเนี่ยจะมีความทุกข์เขาอยากนิพพานนิพพานต้องทําลายตัณหาในวิธีทําลายตัณหาของเขาเนี่ยมันทำลายด้วยวิธีที่หักหันะวิธีหักหานก็คือ อยากกินกูก็ไม่กินอยากนอนกูไม่นอนนะอยากสุกอยากสบายนะอยู่มันบนน้ําบนตะปูอะไรไปเลยนะให้มันทรมานไปเลยแกล้งมันเรียกว่าศืนกิเลสนะมันอยากอย่างนี้ทําอย่างนี้มันอยากยานี้ทำอย่างนี้แกล้งมันไปด้วยหวังว่าทรมานไปด้วยแลวันหนึ่งใจเนี่ยจะพ้นจากอานาจของความอยากเชลเชลิทธาถาก็ลองอย่างเนี้นะหลายปีนะใช้เวลาห้าปีกว่ากว่าฉัดถ้าทสมาธิใช้เวลาแป๊บเดียว เวลาส่วนใหญ่ที่เหลือเนี่ยมันเป็นทรมานตัวเองทรมานไปทรมานมาท่านก็พบว่าปัญหาไม่หมดไปความอยากไม่ได้หมดไปเลยก็ตรงที่ทรมานตัวเองก็ทําไปด้วยความอยากใช่ไหมอยากอะไรอยากพ้นทุกข์แต่ยังหนีอยากปัญหาไม่ได้ท่านก็เลยรู้สึกว่าวิธีที่จะอยู่กับโลกหนะลงโลกตาบใจกิเลสไปเรื่อยก็ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ไปนั่งสมาธิทําแต่ความสงบนะฝึกจิตฝึกใจให้สงบนะ มันก็ไม่ได้พ้นทกมาทรมานร่างกายก็ไม่ใช่ทางที่จะผลถทุกตามใจกิเลสก็ใช้ไม่ได้บังคับกายบังคับใจก็ใช้ไม่ได้ไม่ผลถทุกนี้ท่านนึกถึงสมาธิอีกชนิดหนึ่งได้ตอนท่านเด็กนะอายุไม่กี่ปีหรอกประมาณเจดขวบวันหนึ่งท่านอยู่ใต้ต้นไม้ไมนั่งสมาธิมีงานแรกหนักหวานพี่เลี้ยงท่านก็ไปดูพระเจ้าสุตโตธนาไถนา ไม่ใช่เฉยสืบทาก็าอยู่คนเดียวใต้ต้นไม้รูกขึ้นนั่งสมาธิเด็กเนี่ยเวลาภาวนา น, นี่ยมันจะภ า, านาด้วยความเคยชินของของที่เคยฝึกมาบุญบารมีท่านสูงนะท่านควรจะเป็นพระอรหันต์ตั้งแตพ่พระพุทธเจ้าที่ปังก่อนมาแล้วนิเพินท่านสนใจที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเสเองก็เลยไม่บรรลุพระอรหันต์ดังนัความสามารถของท่านที่จะบรรลุพระอรหันต์เนี่ยมีมานานแสนนานแล้ว เนี่ยมันเป็นความเคยชินของจิตนะที่จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาในขณะนั้นท่านนั่งสมาธิท่านได้ประสมฌานฌานที่หนึ่งนะแล้วท่านก็ลืมไปตอนเด็กๆมันเหมือนที่พวกเราหลายคนมีประสบการณ์ในการปฏิบัติตอนเด็กๆ เ, เวลาเรากระทบอารมณ์อะไรที่แรงๆนะบางทีของเก่าที่เคยฝึกเหมือนกลับมาอย่างหลวงพ่อตอนเด็กๆสิบขวบมาใส่ไม้ข้างบ้าน ไฟไหม้บ้านบ้านเป็นตึกแถวไฟไหม้ข้างๆห่างไม่กี่หลังแล้วตกใจวิ่งจะไปบอกพ่อวิ่งก้าวที่หนึ่งนะตกใจก้าวที่สองตกใจก้าวที 3, นะ่สมเนี่ยมันเหมือนเปิดสวิตขึ้นข้างในเลยเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาฉับพลันนะเวลาที่กระทบอารมณ์แรงๆนะจะรู้สึกตัวขึ้นมาจิตจะหลุดออกจากความตกใจเลยนะมาเป็นคนดูเห็นจิตมันตกใจนะเห็นร่างกายมันวิ่ง จิตเป็นคนดูขึ้นมาเนี่ยจิต ท, ที่มันมีสมาธิที่ถูกต้องเนะี่ยมันจะเห็นรูปธรรมนมามธรรมเห็นกายเห็นใจเนี่ยทำงานโดยจิตนันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นแค่คนดูไม่ได้มีหลวงพ่อคนเดียวนะมีพระมาเล่าให้หลวงพ่อฟังท่านมาเรียนกับหลวงพ่อท่้ไปยเล่าอตอนใบรุ่นยังไม่ได้บวชมีงานลอยกระทงไปดูลอยกระทงเขาจุดพลุไม่ทันระวังว่า ตัวเองไปยืนอยู่ใกล้ๆที่เขาจะจุดรู้เพราะว่าจุดรู้เปรี้ยงนะตกใจตกใจให้จิตถอนตัวปั๊บรู้สึกตัวขึ้นมาเลยตื่นพลงขึ้นมาเลยเห็นความตกใจกระเด็นออกไปนะใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เ บ, บ, บิกบานขึ้นมาเนี่ยตอนเด็กๆเจ้าชายสิทธัตธรรมสมาธิอย่างนี้ได้แล้วท่านก็ลืมไปเหมือนอย่างคนที่ชาตินี้พอความรู้สึกอย่างนี้กลับมานะก็จะลืมไปเพราะว่าไม่รู้ว่านี่เป็นของสําคัญก็ลืมไปอีก ก็จะเที่ยวดินรนหาทางพ้นทุกข์ต่อไปผิดผิดถูกๆกต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเจ้าชายศริษฐะนะาำสมาธิถึงฌานที่เจ็ดฌานที่แปดนะบอกว่าไม่ใช่ทางถ้านระลึกถึงสมาธิตอนฌานที่หนึ่งนะท่านบอกเนี่ยทางถ้าไม่เป็นอย่างนั้นฌานที่เจ็ดฌานที่แปดจะเกิดได้ก็อาศัยฌานที่หนึ่งนะนั้นฌานที่หนึ่งเนี่ยหรือฌานเนี่ยมันเลยมีสองชนิดนะสมาธิมันมีสองชนิดนะสมาธิชนิดที่หนึ่งนะจิตสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียว ภาษาทางปริยัติธรรมเขาเรียกว่าอารมมันูปนิชานคือจิตสงบนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวสมที่อย่างที่สองเนี่ยจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้อารมณ์จิตอยู่ต่างหากอารมณ์แยกออกไปอย่างจิตเห็นร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนดูเนี่ยจิตมันจะแยกออกมาเป็นคนดูเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นจิตเป็นคนดูเห็นกิเลสเกิดขึ้นจิตเป็นคนดูนี จิตมันจะถอยออกมาเป็นแค่คนดูสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นคนดูนะจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดจะไม่เหมือนสมาธิที่จิตสงบสมาธิที่จิตสงบเนี่ยจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งคือมีอารมณ์มันเดียวคนไหนอยู่กับพุทโธก็อยู่แต่พุทโธอยู่กับลมหายใจก็อยู่แต่ลมนั้นไม่อยากไม่เอาอย่างอื่นดูท้องพองยุกก็ดูแต่ท้องไม่เอาอย่างอื่นยกเท้าย่างเท้านะดูแต่เท้าไม่เอาอย่างอื่นจิตไม่หนีไปที่ อ, อื่นเลยสมาธิอย่างนั้นแหละที่พระพุทธเจ้าบอกว่า ไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางเพราะสมาธิชนิดที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนั้นนะเอาไปเดินปัญญาไม่ได้เป็นสมาธิที่ใช้พักผ่อนงั้นเด่กพวกหรือสีชีไัยเขานั่งสมาธิจิตสงบสบายสมาธิส่วนใหญ่ที่พวกเราฝึกมันคือสมาธิฤอษีไม่ใช่สมาธิของพระพุทธเจ้าไม่ใช่จิตเป็นผู้รู้หรอกเป็จิตเป็นผู้หลงจิตหลงไปอยู อย่างหลงไปอยู่กับพุโทโธหลงไปอยู่กับลมหายใจหลงไปอยู่ที่ท้องหลงไปอยู่ที่มือหลงไปอยู่ที่เท้าทำกรรมฐานอะไรก็หลงไปที่กรรมฐานานั้นนั่นะนะงั้นเราต้องแยกส่วนนี้ให้ออกนะถ้าเราไม่สามารถแยกสมาธิทั้งสองชนิดนี้ออกจากกันได้นะัเราจะคลำทางไปไม่ถูกเลยนะส่วนใหญ่ที่พวกเราฝึกนะมันคือสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียว เช่นพุโทโธพุธโทโธจิตไม่หนีไปจากพุโทโธเลยจิตอยู่กับพุโทโธสบายอยู่งั้นนี่เป็นสมาาถะกรรมฐานเมบางคนกร็ดูท้องพองยุบนะจิตไม่หนีจากท้องเลยอยู่กับท้องอย่างเดียวนี่สมาาถะกรรมฐานส่วนใหญ่ที่ฝึกกันเหมือนได้แค่นี้เองเป็นสมาธิที่มีมาก่อนพุทธเจ้าไม่ใช่สมาธิที่จะทําให้บรรลุมรรคผลเพราะไม่ใช่สมาธิที่เอาไว้ใช้เดินปัญญาเป็นสมาธิที่เอาไว้พักผ่อนอย่างพวกเราถ้าพักผ่อนมากๆจะรวยไหม พักผ่อนตลอดชีวิตเลยไม่รวยนะเรียนหนังสือพักผ่อนอย่างเดียวไม่เรียนก็ไม่เก่งอ่ะนะงั้นทำสมาธิชนิดพักผ่อนอย่างเดียวนะโอกาสที่จะเกิดปัญญาเนี่ยไม่มีหรอกนะจะต้องฝึกสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานให้ได้สมาธิชนิดนี้เป็นสมาธิเฉพาะของพระพุทธเจ้านะที่อื่นไม่มีคนอื่นไม่มีเพราะว่าศาสตร์แห่งการจเจริญมิปัสสนากรรมฐานเนะี่ย ไม่มีในศาสนาอื่นไม่มีคําสอนศาสนาใดเลยที่สอนเรื่องวิปัสสนากรรมฐานงั้นถ้าพวกเราเนี่ยยังไม่สามารถทําวิปัสสนากรรมฐานได้เนี่ยเราไม่มีทางบรรลุมรรคผลหรอกนะอีกไกลแสนไกลเลยถึงจะทําดีแค่ไหนนะเข้าวัดทุกวันอาทิตย์เข้าวัดอะไรเนี่ยบริจาคเงินมากมายนั่งสมาธิได้หลายๆชั่วโมงแต่ยังไม่ได้เริ่มทําวิปัสสนากรรมฐานนะชาตินี้ยังไม่ได้มรรคผลหรอกนะมันก็เหมือนเหลือสี่ชีปลายทั้งหลายเท่านั้นเอง คนศาสนาอื่นเขาก็มีทานใช่ไหมเขาก็ทําทานเขาก็รักษาศีลเขาก็ทําสมาธิอย่างพวกคริสต์เขาไปร้องเพลงเขา้าไปสารเสรวนพระเจ้าก็เรื่องของสมาธิมุสลิมเขาละมาดวันหนึ่งตั้งห้าครั้งเขาก็คือการคิดถึงพระเจ้าของเขาเนี่ยก็คือสมาธิเรียกว่าเทวตานุสติระลึกถึงเทวดานึกถึงพระเจ้าเขาได้สมาธิแม้สมาธิมีในทุกศาสนานะ ศีลไม่ก็มีแต่ศีลแต่ละาศาสนาจะต่างกันบ้างนะสมาธิก็มีทุ่แห่งแต่สมาธิอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ค่อยมีใครรู้จักอาภัพที่สุดเลยนะของสำคัญที่สุดแต่ไม่มีใครรู้เพราะอะไรพวกเราไม่เคยเรียนเคยได้ยินคำว่าจิตสิกขาไหมใครเคยได้ยินจิตสิกขายกมือไหนใช่มีไหมเคยได้ยินไหมใจสิกขาใจสิกขาเรียนเรื่องศีล ศีลศิษขาเรียนเรื่องว่าทำยังไงศีลจะเกิดจิตศิษขาเรียนเรื่องว่าทำยังไงจิตจะมีคุณภาพพอที่จะเจริญปัญญานะปัญญาศิษขาก็คือเอาจิตที่มีคุณภาพแล้วเนี่ยมาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจนะความจริงของรูปของนามของกายของใจคือไตรลักษณ์ถ้าหากเราไม่สามารถเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจได้เรายังไม่ได้ทำวิปัสสนานะ ถ้าไม่ได้ทำพิปัสนาก็ยังเวียนไพ่ไต่เกิดไปเรื่อยๆปัญญาแท้ๆไม่เกิดพิปัสนาปัญญาไม่เกิดอริยมรรคไม่เกิดนะก็ยังเป็นปุถุชนเรื่อยๆไปงั้นจุดสําคัญนะเออราก็มาเรียนเรื่องไตรสิกขาให้ได้ก่อนการรักษาศีลไม่ใช่ขอจากพระพระให้ศีลเราจะให้ตามประเพณีศีลที่จริงอยู่ที่เจตนาของเราเองตั้งใจจริงไหมที่เราจะรักษามัน เราจะไม่ทำชั่วทางกายทางวาจาห้าข้อเราทำไหมถ้าเราตั้งใจให้เด็ดเดี่ยวนะเรียกว่าเราเป็นวิธีรักษาศีลเบื้องต้นหร อ, อกต่อไปเราจะค่อยๆสังเกตที่ใจเรารักษาศีลเนี่ยถ้ารักษาที่กายที่วาจานะทำยากแ้ารักษาที่ใจเนี่ยถึงรักษาง่ายวิธีรักษาศีลที่ใจก็คือคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดที่ใจรู้ทันนะคนทำผิดศีลได้นะเพรอมกิเลสครอบงาใจ ลองไปดูสิไม่ว่าจะผิดสี่งข้อไหนนะทาผิดเพราะกิเลสเท่านั้นเอยนั้นเราคอยรู้ทันกิเลสนะรู้จักโกรธไหมใครเคยโกรธบ้างมีไห ม, มโกรธนะใครโลภใครโลภเป็นบ้างโอ้โลภก็เป็นใครหลงเป็นหลงใจลอยรู้จักใจลอยไหมโอ้เนี่นแหละกิเลนะสฟุ้สร้านเป็นไหมฟุ้สร้า น, านเป็นหมดเลยนะเป็นทุกอย่างเลยโอ้ยัใช้ได้ใช้ได้ ภาวนาแล้วไม่เห็นกิเลสนะภาวนาไม่เป็นนะเอองั้นนี้เพียงแต่ว่าพวกเราล้าเลยเราจะรู้ทันกิเลสที่เกิดแนละ้วเราก็รู้ได้นะแต่เราชอบล้าเลยอย่างเวลาเราโกรธนะเราจะไปสนใจคนที่เราโกรธนะเราจะลืมดูว่าใจกําลังโกรธอย่างเวลาขับรถนะคนเยอรมันนี่เขาขับรถดุเหมือนกันนะเอะปาดไปปานมาก็มีเหมือนกันงั้เราไปถูกเขาปาดนะโกรธไหม เวล า, กาโกรธเราจะดูใจเราว่ากาลังโกรธหรือเราจะดูไอ้คนที่ปาดเราเราจะดูไอ้ท่านแหละจะต้องหาทางค <rac> ืนเนี่ยเวลาเราโกรธนะเราก็จะไปดูไอ้คนที่เราโกรธเวลาเราชอบอะไรสัอย่างเราจะไปดูไอ้สิ่งที่เราชอบหรือคนที่เราชอบนะเราไม่รู้ว่าใจกําลังชอบเนี่ยแค่นี้แหละถ้าเราสามารถย้อนมารู้ทันกิเลสที่เกิดที่ใจได้น่ะกิเลสไม่เกิดที่อื่นหรอกกิเลสเกิดที่ใจที่เดียวนี้แหละ ถ้าเรา ค, คอยรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นมาเนี่ยกิเลสจะครอบงําใจไม่ได้กิเลสจะดับอัตโนมัติไปถ้ากิเลสมันดับปุ๊บกิเลสครอบงําใจไม่ได้นะสีนอัตโนมัติจะเกิดขึ้นนี่เป็นวิธีรักษาศีนนะอย่างเราโกรธเพื่อนนะโกรธปุ๊บเราเห็นความโกรธพุ่งขึ้นมาเนี่ยความโกรธจะขาดเลยนะจะดับทันทีเลยเพราะมันไม่โกรธแล้วเราจะไปด่าเขาไหมก็ไม่ทําใช่ไหมไปทําร้ายเขาก็ไม่ทําใช่ไหม หรือเวลาเราโลภนะเห็นคนเขาทาของหล่นอยากไดนะ้อยากได้เราเห็นใจที่อยากได้ปุ๊บนะความอยากเนี่ยจะขาดเลยจะขาดสบั้นเลยพอขาดไปปุ๊บเนะี่ยเราจะไม่ไปเอาของเขาละเพราะเราไม่ได้อยากเนะนี่นง่ายแค่นี้ น, ะนี่ยเราคอยรู้ทันจิตใจของตัวเองนะและ้วศีลของเราจะมีศีลนะมันมีประโยชน์อะไรถ้าเรามีศีล น, นะใจเราจะสงบ คนที่ไม่มีศีล ใ, ใจจะฟุ้งซ่านงั้นศีลเนี่ยเป็นบาดเป็นฐานนะเบื้องต้นของการมีสมาธิแล้วเราต้องฝึกนะฝึกจิตฝึกใจเราคอยรู้ทานกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่ใจเราคอยรู้ทนันรู้เรืยเรื่อยศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้นเพราะเราใจมีศีล ใ, ใจจะสมกสงบนะใจจักจะสงบมันจะมีสมาธิอัตโนมัติเกิดขึ้นได้สมาธิมันคือการที่จิตเนี่ยมันสงบอยู่ในอารมณ์เดียว เวลาที่ใจมันถูกกิเลสลากนะมันจะฟุ้งซ่านไปอย่างมันโกรธมันก็จะไปพุ่งไปใส่คนที่โกรธมันโลภมันก็พุ่งไปใส่คนที่เราชอบอย่าเงี้ยใจมันจะไม่อยู่กันเนื้อกับตัวใจจะวิ่งไปงั้นพอเรามีศีลนะจิตใจมันจะสงบง่ายเคได้ยินไหมศีเลนะสุขติยญาติศีเลนะภูะสัมพทาศีเลนะนิพุตติยญาติสวดกันเรื่อยๆใช่ไหมเอาเราไม่ได้สวดหรอกพระสวดให้เราฟัง แปลเอาไห้ล่ ะ, ะถ้ามีศีล้มีมีความสุขอยู่ข้างหน้าน ะ, ะมีศีลเนี่ยก็เป็นฐานให้เรามีโภกทัพท์นะรวยง่ายคนทุศีลรวยยากนะมีเงินเท่าไหร่เมืม่อไปตะลุงหมดนกับของผิดศีล น, นี่จะไปเป็นชู้เขาต้องจ่ายเงินเยอะใช่ไหมต้องหลอกล่อเข้าต่างๆนานาอย่างเงี้ยซื่อสัตย์กับภรรยาเราไม่ต้องสิ้นเกลืองอะไร คืศีลทำเป็นเป็นฐานที่จะไปสูนน่นะิพพานนะสู่ความดับทุกข์นีศีลที่หลวงพ่อสอนพวกเราเนี่ยคอยรู้ท่านจิตเนี่ยมินศีลที่จะพาเราไปนิพพานนะได้ทางสมาธิได้ทางปัญญานะเป็นฐานพอจะดูออกไหมใจของเราเองนะสังเกตไหมเวลาที่ขณะนี้นะขณะ น, นี้ใจของพวกเราไม่เหมือนกับตอนที่หลวงพ่อเริ่มเทศรู้สึกไหม ใจเราสว่างรู้สึกไหมใจเราเปิดส่วนใหญ่ใจเราสว่างสวัยที่แรกใจยังกระลิงนะนะเหมือนลิงถือลูกท้อแข่งไปแข่งมานะในตอนนี้ใจเราสว่างสวัยขึ้นเนี่ยใจของเราเริ่มรับกระแสของธรรมะได้ใจเริ่มสงบเริ่มสว่างเริ่มสบายเนี่ยเรามีใจอย่างนี้นะเนี่ยใจเราอยู่กันเนื้อกันตัว เครได้ยินไหมจิตใจอยู่กันเนื้อกันตัวภาษาเยอรมันว่าไงไม่รู้มีเปล่าไม่รู้นะแต่ภาษาไทยมีคำอยู่คำหนึงว่าจิตใจอยู่กันเนื้อกันตัวนั่นแหละคือสถาวะที่จิตมีสมาธิชนิดตั้งมัน่นจิตใจอยู่กันเนื้อกันตัวเนี่ยคือจิต ท, ที่ตั้งมัน่นสมาธิของพระพุทธเจ้าส่วนสมาธิที่สงบปุ๊ บ, ป, บ, ป, บปุ๊บนะสมาธิไม่ได้เรื่องคาสติ สมาธิที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวทําไงเราจะมีสมาธิที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่างขณะเนี้ยพวกเราส่วนใหญ่ในห้องนี้มีสมาธิที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวสังเกตไหมเราไม่ได้หลงไปเรารู้สึกตัวอยู่เรารู้สึกถึงร่างกายรู้สึกถึงจิตใจสมาธิอย่างนี้แหละที่จะทําให้เราเอาไป เ, ร, เรียนวิปัสสนาได้เพราะวิปัสสนาคือการเรียนความจริงเรียนรู้ความจริงของกายของใจของรูปนาม เนี่ยถ้าใจของเราล่องลอยไปซะแล้วลืมเนื้อลืมตัวซะแล้วเราจะมาเรียนความจริงของกายของใจได้ยังไงมันลืมตัวเองไปแล้วเวลาใจลอยมีร่างกายก็ลืมร่างกายใครมาอยู่เยอรมันนานมาั้งสิบปีขึ้นไปมีไหมมีนะจำยุงได้ไหมเคยอยู่เมืองไทยไม่รู้จักยุงไหมเออยุงเออนั่นแหละตัวที่มากกัด่ะเออจำได้ไหม จะไม่ได้ไม่ใช่คนไทยละลืมแล้ะเวลาเราใจลอยเวลาเราใจลอยยุงกัดเนี่ยเราไม่รู้สึกเนึกออกไหมเนี่ยเพราะอะไรจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจมัวไปคิดเรื่องน้อนเรื่องนี้นะใจไม่อยู่กับตัวเองนยยุงมากัดยังไม่รู้เลยไม่รู้สึกในร่างกายไม่รู้สึกในจิตใจของตัวเองจิตใจจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วไม่รู้เลยเพราะใจลอยนะ ตัวที่เราใจลอยไปเรียกว่าจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตไม่มีสมัครที่ที่ถูกต้องแต่เป็นนี้เราจะมาฝึกตัวเองอย่เมื่อกี้หลวงพ่อสอนมิธีให้มีศีลด้วยการรู้ทันกิเลสกิเลสโลภโกรดลงอะไรเกิดขึ้นมารู้ทันศีลจะเกิดขึ้นเองใจเราจะสว่างรู้สึกตัวขึ้นมาจ ะ, จะสบายขึ้นมาโปร่งโล่งเบาขึ้นมา แล้วก็ถ้าเราอยากให้ได้สมัครที่ที่ถูกต้องนะเราก็คอยรู้ทันจิตเวลามันไหลไปจิตนี้ชอบไปเที่ยวนะเที่ยวไปรวดเร็วมากเลยจิตนี้อาศัยอยู่ในร่างกายนะอาศัยอยู่ในร่างกายเราแต่จะบอกไม่ได้เราว่าอยู่ในจุดไหนของร่างกายนะมันอยู่ในร่างกายโล ร, ร่างกายเนี่ยเหมือนเปลือกเหมือนถ้าที่ให้จิตอาศัยอยู่แล้วจิตนี้จะหนีไปทเที่ยวอย่างรวดเร็วช่องทางที่จิตจะหนีไปเที่ยวนะมีตั้งหกช่องนะี หนีไปทางตาก็ได้อย่างเวลาเราเห็นรถชนกันเนี่ยที่ที่มีบ้างไหมเยอรมันรถชนกันมีไหมเออบ่อยเลยเหรอเออหน้าร้อนเหรอเมืองไทยชนทุกหน้ามีหน้าสงกรานต์เยอะๆหน่อยเออเวลารถชนกันเนี่ยเราต้องดูใช่ไหม <c oughs> คนจะไปดูขนาดนั้นสนใจไปดูนลืมตัวเอง หรือเวลาเราฟังเพลงอะไรเพล า, ลาะๆนี่เราเพลินเลยนะเพลินในการฟังเราลืมตัวเองเวลาเรานั่งคิดอะไรไปเรื่อยๆนี่นเราก็ลืมตัวเองคิดไปอดีตคิดไปอนาคตใครคิดอดีตบ่อยบ้างยกมือซสใครคิดอนาคตบ่อยบ้างมีไหมถ้าคิดอดีตบ่อยเนี่ยแก่ถ้านะคิดอนาคตบ่อยเนี่ยยังเด็กอยู่เด็กเป็นอนาคตยาวไม่คิดไป ผู้ใหญ่เนี่ยอนาคตมันสร้างมันคิดถึงอดีตดีกว่าเวลาที่เราหลงไปคิดอดีตไปอคิดอนาคตนะเราจะลืมปัจจุบันเรามีกายเราลืมกายเรามีใจเราลืมใจงั้นเวลาเราดูนะเราก็ลืมตัวเองเวลาเราฟังเราก็ลืมตัวเองเวลาเราคิดเราก็ลืมตัวเองเวลากินขออร่อยก็ลืมตัวเองอีกก็เราใครเคยคิดจะ ลดน้ําหนักม you know so em like ั้งไดเอทอะไเงยเคยไหมแต่เวลาเจออาหารแล้วมันลืมรู้สึกไหมกินไปสามจานแล้วเพิ่งนึกได้ว่าจะไดเอทอย่าเงี้ยเนะเพราะมันเกิดในรถไงเพราะเราไปเผลอเกิดในรถเนี่ยเราลืมตัวเองอีกแล้วตากระทบรูปก็ลืมตัวเองหูได้ยินเสียงก็ลืมชื่อตัวเองจมูกได้กลิ่นก็ลืมตัวเองนะเราเคยสมัยเป็นยม เคยไปตามส่วนการค้าเห็นพวกผู้หญิงชอบไปซื้อน้ําหอมนะในเมืองไทยก็จะมีน้ําหอมตัวอย่างให้ทาที่มือให้มาทาแล้วก็ดมนั้นะดมเดี๋ยวก็ทานอันนู้นเดี๋ยวก็ทานอนัานนี้เคยทํำไหมเคยใช่ไหมขนาดที่ดมเนี่ยรู้กลิ่นใช่ไหมกลิ่นนี้หอมกลิ่นนี้ไม่หอมแต่มันลืมตัวเองในขนาดนั้นนะมีกายลืมกายมีใจลืมใจสนใจแต่ ก, กลิ่นเนะื้อใจเรามันจะไหลออกข้างนอกตลอดนะลเราต้องสนใจรูป ที่เห็นเราสนใจเสียงที่ได้ยินสนใจกลิ่นนะที่เราได้กลิ่นสนใจรสที่ได้รสสนใจสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายเรานะอย่างยุงกัดเราเจ็บแผบเนี่ยเราไม่ดูร่างกายนะเราจะดูยุงก่อนนะคนไหนลืมยุงเวลานั่งสารนะกับใจเมืองไทยบ้างยุงยังเยอะอยู่เมืองนี้มันหนาวไม่ค่อยมียนะเนี่ยเวลาอะไรมากระทบร่างกายเราเราก็ลืมตัวเราเอง เวลาใจเราคิดเราก็ลืมตัวเราเองไหมตามองเห็นเราก็ลืมตัวเองหูได้ยินเสียงก็ลืมตัวเองจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดลืมตัวเองตลอดเลยนะเพราะฉะนั้นมีผัสสะทไรมีการกระทบอารมณ์ทีไรก็ลืมตัวเองอทุกทีเลยแล้วภัสสะนี่เกิดตลอดวันตลอดคืนนะมีอยู่ตลอดเพานั้นเราลืมตัวเองตลอดวันตลอดคืนเลยเมื่อ10บกว่าปีก่อนนะหลวงพ่อตอนบวชใหม่หลวงพ่อพูด เรื่อยเลยบอกว่าในโลกนี้ไม่มีคนรู้สึกตัวหาคนรู้สึกตัวได้ยากมากเลยมีแต่คนลืมตัวเองสมัยโน้นอนย่างคนยังไม่ค่อยเชื่อนะยิ่งเป็นไปได้ไงลืมตัวเองหลวงพ่อบอกได้เลยว่าทุทกคนตื่นมาแต่ร่างกายแต่ใจไม่ตื่นใจเพ้อฝันไปเรื่อยอยู่ในโลกของความฝันแต่มาถึงวันนี้นะคนที่ตื่นขึ้นมาได้แคนับจํานวนไม่ทั่วแล้วแค่ฟังซีดีหลวงพ่อไปเรื่อยๆใจก็ตื่นแล้วะจะรู้สึกตัว บางทีหลวงพ่อมองหน้ากำลังหลงๆ้วมองปุ๊บก็รู้สึกตัวแล้วนะบางทีส่วนใหญ่จะรู้สึกแรงเกินไปด้วยแข็งเลยนะตัวแข็งไปเลยเนี่ยเห็นไหมตัวอะไรหัวเราะเห็นไหมฟังที่หลวงพ่อพูดใช่ไหมล้วก็คิดแไปเรารู้เรื่องที่หลวงพ่อพูดเราคิดอยู่เราลืมตัวเองตัวนี้หัวเราอเราไม่เห็นนล้วเนี่ยตัวนี้พยักหน้าเราไม่เห็นนล้วเราพร้อมจะลืมตัวเองตลอดเวลาเรารักตัวเองที่สุดนะแต่เราลืมตัวเองทั้งบันเลย ต่อเป น, เนี้ยพยายามมาฝึกสมาธิชนิดที่ดีนะสมาธิคือการสภาวะที่จิตใจยอยู่กับเนื้อกับตัวนะเป็นสภาวะที่จิตใจยอยู่กับตัวเองเป็นตัวของตัวเองโดยที่ไม่ได้บังคับไว้บางคนจะรู้สึกตัวนะแต่บังคับรู้สึกตัวยังมีสองแบบนะแบบถูกกับแบบผิดแบบถูกเนี่ยใจจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจจะเบาอ่ อ, อนโยน น, นุ่มนวลกล้นนองแคล่วว่องไนะแต่สมาธิสมาธิรู้สึกตัวที่ผิดเนี่ย ใจจะแข็งแข็งเนี่ยทําให้ดูนะเนี่ยจยรู้หมดเลยนะเนี่ยมันจะรู้สึกอย่างนี้นะั้นจะแข็งอะผิดธรรมดานะถ้าเป็นอย่างนี้เป็นมิจฉาสมาธินะใช้ไม่ได้หรอกรู้สึกตัวจริงแต่ใช้ไม่ได้จะ ก, กระด้างไปกายก็นิ่งใจก็นิ่งแล้วนักปฏิบัติเกือบร้อยละรอยเนะี่ยทันทีที่คิดถึงการปฏิบัตินะก็บังคับตัวเองให้แข็งอย่างนี้แหละอาพวกเราลองนั่งสมาธิ ใครเคยนั่งนั่งซิน่าพอละนื่มตาสังเกตแหมพ่อหลวงพ่อบอกให้นั่งสมาธิเนี่ยสิ่งแรกที่ทําคือขยับเนี่ยบังคับตัวเองก่อนต้องนั่งท่านี้นะท่าอื่นไม่เรียกว่าสมาธินะครูบาอาจารย์หลวงพ่อองค์นึงหลวงพ่อพุทธเคยได้ยินชื่อท่านไหมหลวงพ่อพุท ธ, ธานิโยให้หมาเอาหัวทิ่มดินนะเอาตีนชี้ฟ้าท่านพูดอย่างนี้นะ หัวทิมดินาตีนชีฟ้าก็ทำสมาธิได้นะไม่ใช่ต้องท่านี้น ะ, ะเวลาเราเดินจงกรมเราก็วางฟอร์มรู้สึกไหมเวลาเดินจงกรมต้องปพวางฟอร์มทางร่างกายได้ที่แล้วก็จะวางฟอร์มทางใจต่ออย่างพนนั่งสมาธินั่งขยับได้ที่แล้วก็ทำขลุมทำไหมไม่กี้ทำตังนั้นเลย ม, มีกายแนละ้วก็ไปดัดแปลงมัน มีใจก็ไปดัดแปลงมันแล้วจะไปเหตุความจริงของมันได้ยังไงนะนั่นแหละสมาธิที่พวกเราเคยชินนะสมาธิที่บังคับกายบังคับใจสมาธิอย่างนั้นนะก็ดีเหมือนกันแนหะนั่งแล้วสวยดีน่านับถือแต่ไม่เกี่ยวอะไรกับมรรคผลหรอกตอนนี้นั่งอยู่หรือยังนั่งอยู่นะรู้สึกไหมร่างกายนั่งลองพยักหน้าสิเห็นไหมหน้ากายพยักหน้าลองยิ้มสิรู้สึกไหมร่างกายยิ้ม เนี่ยเคล็ไว้นะรารู้สึกรู้สึกนะรู้สึกอยู่ในกายเนะใจเราเป็นแค่คนดูสังเกตดไหมกายกับใจคนละอันกันจิตใจเราเป็นคนดูนะร่างกายกําลังหายใจอยู่ใจเราเป็นคนดูร่างกายกําลังนั่งอยู่ใจเป็นคนดูตรงที่ใจเป็นคนดูขึ้นมาเนี้ยเรียกว่าใจมันมีสมาธิที่ถูกต้องนะใจมันจะไปถอนตัวมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนึกเกตดไ้มใจที่เป็นคนดูเนี่ยเบิกบานด้วยไม่ใช่รู้ทื่อๆนะรู้ทื่อ สมมติวาหลวงพ่อกระหายน้ำแล้วจะกินน้ำหัวชั่วโมงหนึ่งยังไม่ได้กินเลยไตายวายไปก่อนแล้วหัวเลาะเห็นไหมตัวอะไรหัวเลาะเห็นไหมตัวอะไรหัวเลาะแค่รู้สึกอย่างนี้นะรู้สึกเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูร่างกายหายใจออกใจเป็นคนดูร่างกายหายใจเข้าใจเป็นคนดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดู การที่เรามีใจเป็นคนดูนี่ยแหละนะเรียกว่ามีสมาธิการที่พอเรามีสมาธิแล้วเราเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรียกว่าเราเจริญปัญญาหรือเรามีสมาธิอยู่ขณะนี้พวกเรารู้สึกไหมพวกเราจําเนินมากกําลังมีความสุขรู้สึกไหมใจมันมีความสุขใจมันเบิกบานมันสว่างมันผ่องใสรู้สึกบ้างไหมเนี่ยเราเห็นนะความสว่างของจิตใจความผ่องใสความสุขเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้า จิตเป็นคนดูอีกแหละเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยเป็นคนดูร่างกายมันทํางานจิตเป็นคนดูจิตใจมันทํางานความสุขเกิดขึ้นใจเป็นคนดูมันจะเห็นว่าความสุขกับจิตเนี่ยเป็นโคละนกันความทุกข์เกิดขึ้นใจเป็นคนดูมันจะเห็นว่าความทุกข์กับจิตก็คนละอันกันนะความดีเกิดขึ้นหรือรอบโกรดหลงเกิดขึ้นนะโลภโกรดหลงเกิดขึ้นนะใจเป็นคนดูมัเห็นว่าความรอบความกรธความหลงเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้า ค่อยๆฝึกนะจะเรามีใจเป็นผู้รู้ขึ้นมาหลวงพ่อทําได้ตั้งแต่เป็นคราว่าษนะตานหลวงพ่อเป็นคราว่าษเนี่ยไปกราบครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่ศิมเคยได้ยินชื่อไหมหลวงปู่สิมเนี่ยท่านไม่รู้จักชื่อหลวงพ่อนะไม่เคยบอกท่านนะท่านเจอหลวงพ่อท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ะคนนั้สงสัยมากเลยว่าทําไมท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้รู้อะไรรู้หวยหรืออะไรเงี้ยนะไม่ใช่รู้ตัว ใจที่มันรู้มันตื่นมันเบิกบานมันรู้สึกตัวอยู่นะใจมันมีสมาธิอยู่นะกลางวันก็มีกลางคืนก็มีนะเนี้ยสมาธิอย่างนี้เราต้องฝึกนะฝึกโดยการรู้ทันเวลาใจมันหนีไปใจมันวิ่งไปดูลืมตัวเองรู้ทันว่ามันลืมตัวเองไปแล้วใจมันไปฟังแล้วมันลืมตัวเองรู้ทันว่ามันลืมตัวเองรู้มันว่านมันหนีไปแลใจไม่จะตื่นขึ้นมาใจมันจะอยู่กันเนื้อกับตัวหรือใจมันหนีพิคิต ใจพวกเราอนี้ไดคิดตลอดเวลานะเชื่อไหมหลวงพ่อจะหยุดพูดนะห้ามพวกเราคิดนะห้ามคิดนะอ้าเริ่มตกลงคิดไหมมันคิดได้เองห้ามไม่ได้โอ้นี่เริ่มเห็นอนัตตาแล้วอนัตตาคือมันไม่อยู่ในอำนาจเห็นไหมจิตมันคิดได้เองนะ บอกว่าอย่าไปคิดอย่าไปคิดท่านบางคนบอกดิฉันไม่ได้คิดเลยครับ <c oughs> พอหลวงพ่อบอกว่าไม่ให้คิดนั้นดิฉันก็พูโทโธพุดโธพุโทโธก็คิดนั่นแหละเดยวคิดพูทโธสิใช่ไหม <c oughs> เห็นไหมใจมันคิดได้เองเนี่ยใจมันทํางานได้เองนะเราไปแค่คนดูเอง <c oughs> ต่อไปนี้นะเราจะเปลี่ยนจากการเป็นผู้ควบคุมผู้บังคับนะผู้เข้าไปแทรกแซงมาเป็นแค่คนดู ดูอะไรดูกายมันทํางานดูอะไรดูใจมันทํางานะดูไปได้อย่างใจเนี่ยคิดก็คิดได้เองโกรธก็โกรธได้เองนะเชื่อไหมโกรธได้เองโลบก็ลบได้เองเคยไม่ตั้งใจจะไม่โกรธแล้วก็โกรธใช่ไหมมันโกรธเองเนี่ยเราไม่ได้โกรธนะเคยตั้งใจจะไม่รักบ้างไหมคนนี้ไม่รักแล้วมันหลอกเรานะเคยไหอตั้งใจจะไม่รักเร า, เ ร, ารักไหมรัก พอมันมาอ้อซ้อเข้าไปหนึงเราก็มันก็เปลี่ยนความประพฤติแล้วนะจะบอกความจริงให้อย่างนะถ้าเราึกชาติได้ยาวๆนะจะรู้เลยหมื่นปีเนี่ยนิสัยคนไม่เปลี่ยนหรอกไม่เปลี่ยนหรอกนะถ้าเปลี่ยนก็คือเรวมากขึ้นเลยด้วยนะไอ้ที่จะดีขึ้นดีขึ้นนี่ยากมากเลยนะเพราะธรรมชาติของจิตนันไหลลงต่ตําตลอดเวลาเลยถ้าพวกเราไม่ฝึกฝนตัวเองนะใจเราจะแย่ลงแย่ลงอันนี้เป็นธรรมชาติเลย อย่างตอนสาวๆนะไม่ค่อยบ่นนะแกแล้วชี้บ่นจําภาษาไทยอันนี้ได้ไหมยายแก่ชี้บ่นเห็นไหมเคยมีไหมพ่อเด็กๆชี้บ่นไม่ค่อยมีนะเพราะอะไรเพราะว่าบ่นจนชานาญบ่นมาตั้งแต่สาวนี่ไหมบ่นไปเรื่อยๆพอแก่แล้วเป็นเอตทักฆาทางบ่นบ่นเองนะไม่มีอะไรบ่นก็บ่นพระอาทิตย์พระจันทร์บนฝนตกฝนไม่ตกหิมะตกหิมะไม่ตกบ่นได้ทุกเรื่องใช่เป็นจําบ่นเลย เพรา ะ, ะไรเพราะมนสะสมนิสัยขี้บนนะจิตเนี่ยมันจะสะสมอะไรที่ไม่ดีอยสะสมไปเรื่อยๆนะนั่นเรามีหน้าที่ฝึกจิตฝึกใจของเรานะรู้เนื้อรู้ตัวรักษาศีห5้าไว้ด้วยการรู้ทันกิเลส น, นะกิเลสจะครอบงาใจไม่ได้แเราก็มีศีห5้าแล้วก็มาฝึกจิตใจให้รู้เนื้อรู้ตัวให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะจิตหนีไปเรารู้ทันจิตหนีไปเรารู้ทันถ้าเราอยากฝึกแบบเข้มข้นนะ ถ้าอยากฝึกให้จิตตั้งมั่นแบบเข้มข้นนะอย่างที่หลวงพ่อเคยฝึกะทกํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งเช่นอยู่กับพุโทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้นะแล้วคอยรู้ทันจิตพุโทโธพุโทโธก็รู้ทันจิตหายใจก็รู้ทันจิตถ้าจิตหนีไปเราค่อยรู้ทันเคยได้ยินชื่อคุณแม่จันดีบ้างไหมแม่จันดีเป็นน้องสาวหลวงตามหาบัวได้ยินชื่อหลวงตามหาบัวไหมเออคุณแม่จันดีเนี่ยหลวงตามหาบัวรับรองเลยวนะ่าพ่อนาดี หลวงพ่อเคยเจอท่านท่านถามหลวงพ่อว่าอาจารย์ภาวนายังไงท่านอาจารย์ภาวนาไงจิตมาลงที่เดียวกันได้อัตมาก็เล่าให้ท่านฟังว่าตมาหายใจเพราะท่านพ่อร well, ีสอนอาตมาทำอนาปานสติหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวแต่ตอนเด็กๆนะท่านพ่อรีสอนหายใจเข้าพูดหายใจออกโทมีภายใจแล้วพุทโทไปด้วยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งเข้าพุทออกโทนับ2มีนับด้วยนะ แต่มาพอจิตเราชํานาญขึ้นมันก็ตัดเครื่องลุงรังออกไปตัดการนับออกไปตัดพุทโธไปแค่หายใจเราก็รู้สึกนะจิตไม่หนีไปไหนละหายใจเรารู้สึกหายใจเรารู้สึกแต่ไม่ใช่หายใจเพื่อความสงบนะเป็นการหายใจเพื่อจะรู้ทันใจของตัวเองหายใจไปสบายๆจิตหนีไปคิดเรารู้หายใจไปสบายๆจิตไปเพ่งลมหายใจเราก็รู้หายใจเราก็รู้ทันจิตไปไม่ใช่ไปรู้ลมนะหายใจแล้วก็รู้ทันจิตไป อนี้พอเรารู้ทันจิตว่าจิตมันเคลื่อนไปปุ๊บเรารู้ทันนะจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติสร้างเองนะเราอย่าไปดึงบังคับจิตให้ตั้งนะให้ให้รู้ทันจิตที่เคลื่อนแล้วจิตจะตั้งเองอย่างนี้ถึงจะได้จิตผู้รู้ที่ถูกมันจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่แท้จริงสังเกตไหมใจหนีไปคิดแล้วรู้สึกไหมเนี่ยรู้ทันใจที่หนีไปคิดรู้สึกไหมมันจะกลับมารู้สึกตัวแต่ไม่ได้เจตนานะแต่ถ้ารู้สึกตัวจะเจตนานจะทื่อๆ เนี่ยถ้าจิตไปล็อกอยู่ตรงนี้นะคนมาดา่าก็ไม่โกรธ น, นะเนี่ยทําตัวเองเหมือนต้นไม้ไปแนละ้นะเหมือนก้อนหินเหมือนต้นไม้ทื่อๆนะไม่ใช่นะสมาธิอย่างนั้นเอาแค่ว่าใจไหลไปแล้วรู้ว่าใจไหลแล้วรู้นะฝึกอย่างเงี้คือคุณแม่จันดีท่านบอกว่าหนูวงพ่อบอกท่านนะเมื่าหายใจไปยนลมมันสงบนะกลายเป็นแสงแสงอยู่ตรงนี้ยสว่างออกมาแล้วค่อยรู้ทันจิตจิตเคลื่อนไปจากแสงรู้ทันจิตเคลื่อนไปรู้ทัน จีก็ตั้งมั่นเป็นหนึ่งใช่ไหมท่านบอกถ้างั้นอันเดียวกันนะใช้หลักเดียวกันแต่ท่านไม่ได้ใช้ลมท่านใช้พุโทโธโดตามหาบัวให้ท่านพุโทโธท่านพุโทโธแล้วท่านกําหนดจิตไว้อย่างนะี้พุโทโธพุโทโธแล้จิตหนีไปแล้วรู้เม็หลักเดียวกันคือตรงที่ว่าจิตหนีไปแล้วรู้เนี่แหละงั้นต่อไปนี้เราทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะช่วยตัวเองนิดนึงสละเวลาวันหนึ่ง15นาทีไม่ต้องเยอะนะไม่ต้องเยอะเยอะเราเครียดวันหนึ่ง15นาที เริ่มต้นไหว้พระสวมดมนต์สั้นๆไม่ต้องสวดยาวนะไม่ต้องสวดพระปริตอะไรนะมันหมดแล้ว15นาทีไม่พอนะสวดสั้นๆสวมดมนต์ไหว้พระสักหน่อยนะคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงครูบาอาจารย์เสร็จแล้วเราก็ทํากรรมฐานไปจะหายใจจะพุโทโธอะไรก็ได้แต่คอยรู้ทันจิตไว้พุโทโธพุโทพโธพทโธจิตนีไปแนละรู้ทันนะพุโทโธพุโทโธจิตไปว่างเฉยๆอยู่รู้ทัน หรือรู้ลมหายใจนะหายใจออกหายใจเข้าจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปจับอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันเนี่ยรู้ทันจิตไปเร่อยการที่รู้ทันจิตไปเรื่อยเรียว่าจิตตสิกขาเรียนเรื่อจิตเคได้ยินใช่ไหมเมื่อกี้พูดถึงจิตตศิกขาแล้วเราจะเรียนเรื่องจิตเรียนเจอทั้งจิตมันตั้งมั่นเป็นคนดูได้ดังนะั้นถ้าอยากได้มากผลในชีวิตนี้นะอดทนนิดนึงขอ15นาทีเองวันหนึ่งไม่ขอมากหรอกนะสิบห้นาที ทำในรูปแบบที่หลวงพ่อใช้ว่าทําในรูปแบบอะไหวพระส่วนมนต์สัหน่อยหนึ่งแล้วทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วก็คอยรู้ทันจิตไม่ใช่ทําเพื่อความสงบนะไม่ใช่หายใจเพื่อสงบพุทโธเพื่อสงบฟองยุบเพื่อสงบไม่ได้เอาสงบแต่เอาการรู้ทันจิตเช่นดูท้องฟองยุบไปนะท้องฟองยุบไปแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ท้องรู้ทันจิตเคลื่อนเมื่อไหร่รู้ทันนะจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมา จิตที่เคลื่อนไปนะมันเคลื่อนไปด้วยอํานาจของความฟุ้งซ่านอํานาจของโมหะที่เราอุ่นทับจะฟุงซ่านทันทีที่สติเกิดรู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปนะรู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านเนี่ยทันทีที่สติเกิดนะอกุศลใดๆที่มีอยู่จะต้องดับอัตโนมัติเลยใช้แค่เรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปจิตก็ตั้งมันแล้วซ้อมทุกวันนะสักสิหนาทีเนี่ยจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้เดือนเดียวก็เป็นล้นะเรียนกับหลวงพ่อใช้เวลาไม่มากหรอก นี่บางคนเนี่ยพอรู้สึกตัวขึ้นมาปุ๊บมันจะเห็นในร่างกายกับใจเนี่ยมันจะแยกส่วนออกจากกันกายส่วนกายใจส่วนใจเอาเนี่ยกายขยับตัวเนี่ยรู้สึกหมดเลยนะแต่ว่าเห็นเลยว่ามันไม่ใช่จิตใจเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามันจะเริ่มถอนความรู้สึกว่าร่างกายนี้คือตัวเราถอนความรู้สึกอันนี้ออกมาจะเห็นว่าร่างกายก็อยู่ส่วนร่างกายจิตใจก็อยู่ส่วนจิตใจมันคนละอันกันถอนอย่างนี้ได้สมมติเราไม่ได้มักผลชาตินี้เราทําได้แค่นี้ก็พิเศษนักหนาละ เวลาแก่ใครแก่ร่างกายมันแก är, น่นะไม่ใช่เราแก่เวลาเจ็บใครเป็นเจ็บร่างกายมันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บนะก็กายกับใจมันแยกออกจากกันมันจะไม่ใช่เราละนะใครตายร่างกายมันตายไม่ใช่เราแล้วนะเราจะไม่ทูกขเพราะแก่เพราะเจ็บเพราะตายส่วนทางจิตใจก็คอ ย, อยสังเกตนะเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆนะงั้นพยายามฝึกนะให้จิตใจอ ย, อยู่พันเนื้อกับตัวด้วยการรู้ทันใจที่หนีไป ใจที่ลืมเนื้อลืมตัวถ้าเรารู้ทันใจที่ลืมเนื้อลืมตัวเราจะได้ใจที่รู้เนื้อรู้ตัวเห็นไหมใจมีพิคิดส่วนใหญ่มีพิคิดรู้สึกไหมบางคนคิดถึงบ้านไม่คิดไกลเห็นไหมมันหีพิคิดเนื้อมันหนีแค่รู้ทันนะใจมันจะกลับมาอยู่กับตัวเองไม่บังคับนะถ้ากลับมาอยู่ที่ตัวเองแล้วเราจะรู้สึกว่าเราตื่นขึ้นอนะ เราจะรู้สึกเลยว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี้ยเราตื่นแต่ร่างกายใจเราไม่เคยตื่นนะใจยังไม่เคยตื่นหรือใจจะหลงอยู่ในโลกของความคิดความฝันตลอดเวลานี้พอใจเราตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วนะเราจะถึงขั้นสุดท้ายแล้วที่เรียกว่าปัญญาสิกขาปัญญาสิกขาเนี้ยคือการเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจสิ่งที่เรียกว่าความจริงของรูปนามกายใจนะคือคำว่าไตรลักษณ์เคยได้ยินไหมไตรลักษณ์ อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเคยได้ยินไหมอ น, นิจจังหมายถึงว่าสิ่งที่เคยมีแล้วมันก็ไม่มีเนะ น, น, นี่ยียอนิจจังนะเช่นคนคนนี้เคยมีชีวิตอยู่ตอนนี้ไม่มีนะนมีแล้วก็ไม่มีหรือความโกรธของเราเคยมีแล้วมันหายไปแล้วเนี่ยเรียกว่าความโกรธนี่ก็เป็นอนิจจังทุกขังหมายถึงว่าสิ่งที่กําลังมีเนี่ยสิ่งซึ่งกําลังมีอยู่นะกำลังถูกบีบคั้นเพื่อให้สลายตัวเพื่อให้มันไม่มี นะอนัตตาก็คือว่าสิ่งทั้งหลายจะมีขึ้นมาจะตั้งอยู่หรือจะดับไปเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสัง่งนะอย่างเวลาเราไปคิดอะไรไม่ดีคนอื่นความโกรธก็จะเกิดเราไปคิดในทางที่ชอบใจเขานะราคาก็จะเกิดนะั้นทุกอย่างมีเหตุหมดนะกระทั่งกิเลสก็ต้องมีเหตนะุสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตนะุถ้าเหตุดับสิ่งนั้นก็ดับเคยได้ยินประโยคนี้ไหม เยธรรมมาเหตุตุปภวาเตสังเหตุตุงตถาคตโตคือได้ยินไหมเตสันเจยนิโรธวจัยวังวัตทีมหาสมนติทําใดเกิดจากเหตุพตระตถาคตเจ้าแสดงเหตุแห่งทำนั้นและแสดงความดับไปแห่งธทำนะั้นถ้ามีเหตุมันเกิดถ้าหมดเหตุมันดับเวลาไฟไหมไฟไหมเนี่ยเวลาเขาดับไฟนี่ยเขาดับเหตุของไฟไฟมันไหมได้เพราะมีองค์ประกอบมีเหตุหลายตัวอันแรกเลยมีเชื้อเพลิง ไฟลามมานะเราลื้อบ้านทิ้งไปหลังนึ่งไม่มีเชือเ้อเพลิงไฟมาไม่ได้ไฟดับเพราะอะไรเพราะไม่มีเชือเ้อเพลิงหรือบางทีเขาก็เอาโฟมไปฉีดนะไม่ให้ออกซิเจนเข้าไปพอไม่ขาดออกซิเจนเนี่ยไฟก็ไม่มีเหตุไฟก็ดับนะหรือมันร้อนจัดอุณหภูมิสูงเอาน้ําไปฉีดลดอุณหภูมิ ล, ลงไฟก็ดับเห็นไหมกระทั่งดับไฟนะก็ดับเหตุของไฟไม่มีใครดับไฟได้นะไฟมันดับเองเพราะเหตุของมันดับ งั้นเราหุงข้าวสักหม้อหนึ่งนะข้าวสุกเนี่ยไม่ใช่เพราะเราสั่งแต่เพราะเพราะเราทำเหตุเอาหม้อข้าวมาตั้งเอาข้าวมาใส่อน้ํามาใส่เสียบลักมีเวลาจํากัดในเท่านี้เท่านี้ถึงเวลาเงื่อนไขมันครบแนละ้วข้าวสุกอยู่ๆเราไปสั่งให้ข้าวสุกไม่ได้แม้ทุกอย่างนะเป็นจากเหตุทั้งนั้นเลยเราเอาข้าวมาใส่หมอ้อแล้วก็ตั้งไว้เฉยๆมันก็ไม่สุกใช่ไหม ข้าพ่อบวมๆไปเฉยๆกินไม่ได้เนี่ยทุกอย่างเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งนะนี่ก็เป็นอนัตตานะอนัตต์อย่างใจของเราเนี่ยจะมีสติหรือไม่มีสติเราสั่งไม่ได้แต่ถ้ามีเหตุของสติสติจะเกิดะความโกรธเหมือ น, นกันเราจะห้ามมันไม่ได้ะถ้ามีเหตุของความโกรธความโกรธก็เกิดถ้าไม่มีมันไม่เกิดหรอกทุกอย่างมีเหตุหมดเลยเคยมีคนไปทูลถามพระพุทธเจ้า แล้ว้าแต่พระองค์ว่าเจริญพระองค์มีกราร ม, มาราคะไหมมีกราร ม, มาราคะไหมมีความรู้สึกเซ็กซ์ทางเพศอะไรอย่างนี้นะ mm hmm. มีไหมไปตามพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าเราไม่มีกราร ม, มาราคะเพราะเราไม่มีกรารมริตกกรารมรรตกคือการตรึกในกานยไม่ตรึกถึงผู้หญิงสวยๆอะไรอย่างนีน้ไม่ได้คิดถึงเขาไม่คิดถึงราคาไม่เกิดแม้ตัดที่ตัดที่ต้นเหตุมันนะไม่ได้ตัดที่ตัวมัน งั้นเวลาที่เราภานา น, นันเราจะเห็นเลสิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นี่ถึงเห็นความจริงของมันเห็นอนัตตาเห็นอนิจจังคือของเคยมีแล้วไม่มีะเห็นทุกขังก็คือของที่กําลังมีอยู่เนี่ยกําลังถูกบีบคั้นให้หายไปเดีย๋ยวเรานั่งอยู่เนี้นั่งนานๆเรากําลังถูกบีบคั้นให้เลิกนั่งรู้สึกไหมกำลังถูกบีบคั้นให้เ้ิกนั่งนั่งต่อไปไม่ไหวแล้วขามันแสดงความเป็นอนัตตาแล้วชันไม่รู้สึกแล้วเ เนี่ยถ้าเรามีปัญญานะทำมิปัสนาเนี่ยเราจะเห็นตร ล, ลักษณของรูปของนามของกายของใจเนี่ยจิตใจก็ไม่เที่ยงจิตใจดูไม่เที่ยงง่ายนะอย่างอยู่บ้านอยากมาวัดอยากมาฟังเทศมาฟังสักพักหนึ่งอยากกลับบ้านนะความอยากมาวัดไม่เที่ยงหรอกเนะทุกอย่างมันไม่เที่ยงเปลี่ยนเรื่อยเคยชอบคนนี้ใช่ไหมอยู่ไปนานานาเบื่อแล้วไม่ชอบแล้วใจมันไม่เที่ยงนะจิตใจเนี่ยดูความไม่เที่ยงง่ายนะ แล้วดูความเป็นอนัตตาง่ายคือเราสั่งไม่ได้สั่งให้สุขไม่ได้ห้ามทุกข์ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุทั้งหมดเลยงั้นทางจิตใจเนี่ยจะดูอนิจจังดูอนัตตาง่ายแต่ทางร่างกายเนี่ยดูทุกข์ง่ายลองเราจะดูทุกข์นะเชื่อไหมว่าเราถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าสิให้ยาวที่สุดในชีวิตเลยทุกข์ไหม หายใจออกซะออกให้ยาวที่สุดในชีวิตสิยามหายใจออกให้นานที่สุดในชีวิตสิทุกไหมตกลงหายใจเข้าก็ทุกใช่ไมหายใจออกก็ทุกใช่ไหมแต่ทำไมที่ผ่านมาไม่เคยเห็นหายใจเข้าพอเริ่มทุกข์ก็รีบหายใจออกเลยไม่ทันเห็นเลยว่าทุกข์ใช่ไหมหายใจออกไปแล้วพอทุกข์ก็รีบหายใจเข้าเลยไม่เห็นว่าทุกข์หรอก ความจริงเนี่ยนะความทุกขบีบคั้นร่างกายเนี่ยทุกลมหายใจเข้าออกเลยหายใจเข้าก็ทุกหายใจออกก็ทุกยืนก็ทุกเดินก็ทุกนั่งก็ทุกนอนก็ทุกนะบางคนว่านอนไม่ทุกกลางคืนนอนแล้พลิกบ้างไหมพลิกนะคนปกติคือหนึ่ลิก30 40ครั้งนะพลิกทําไมต้องพลิกทําไมต้องขยับมันเมื่อยมันเมื่อยมันทุกข์นะเราขยับเพื่อหนีความทุกข์ ร่างกายเนี่ยนะถูกความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลาเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นนะเพราะเราเปลี่ยนอิทธิบทตไปเรื่อยๆอยิทธิบทปิดบังความทุกข์ในร่างกายของเราหมดเลยเราไม่เห็นเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เวลาความทุกข์เกิดในร่างกายอย่าเพิ่งขยับนะรู้สึกซะก่อนวอ้ทุกข์แล้วค่นะคอยขยับนะค่อยขยับงั้นมันไม่เห็นทุกข์หรอกนั่งไปนั่งให้สบายซื้กอกล้ว้ตัวละแสนมา น, นั่งก็ได้นะนั่งไปเรื่อยเดี๋ยวก็ทุกข์ละ ถ้าดูนะร่างกายเนี่ยจะเป็นตัวทุกข์ที่ชัดเจนแล้วอีกตัวหนึ่งที่ร่างกายแสดงได้เด่นชัดนะัคือตัวอนัตตาแต่เปคนละมุมกับอนัตตาทางใจอนัตตาทางใจเนี่ยแสดงให้เห็นว่ามันทำงานเองเราบังคับมันไม่ได้ส่วนอนัตตาทางร่างกายเราจะเห็นว่าร่างกายมันเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่ขาเป็นวัตถุอันนั้นเอง มีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลานมีไหมธาตุไหลตลอดเวลาไหมหายใจก็อยู่ตลอดเวลาไหมก็เปลี่ยนธาตุไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยเดี๋ยวกินอาหารเดี๋ยวถับถ่ายเดี๋ยวดื่มน้ําเดี๋ยวปัสสาวะเลยเนี่ยธาตุมันหมุนไปเรื่อยๆถ้าธาตุมันสะดุดเมื่อไหร่นะร่างกายก็แตกแตกสลายอยู่ไม่ได้ะกินแล้วไม่ถ่ายแล้วตายใช่ไหมถ่ายแล้วถ่ายไม่เลิกตายอยีก เนี่ยถ้าดูในร่างกายนะเห็นเป็นแค่วัตถุนะเนี่ยเป็นไม่ใช่ตัวคนหอกไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เราเป็นแค่ก้อนธาตุเนี่เป็นอนัตตามุมหนึ่งนะคือมันแย้งกับความมีตัวมีตนนะไม่ใช่ตัวใช่ตนธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องฟังเล่นไม่ใช่เรื่องคิดเล่นนะแต่ต้องเข้าไปเห็นด้วยตัวของตัวเองเคยสวดมนต์ไหม ต้องโอปปณะยิโกใช่ไหมโอปปณะยิโกน้อมเข้ามาหาตัวเองเรียนรู้ที่ตัวเองนิ่งแล้วสุดท้ายก็จะปัด จ, จัดตังเวทิตะโพวิญยูหิวิญยูชนรู้ด้วยตัวเองรู้ว่าอะไรรู้ว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเขารู้อย่างนี้ใจจะคลายความยึดถือไม่ว่าเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพรคลายความยึดถือจึงดุจผล อย่างนี้มีคนมาเปิดประตูรู้สึกไหมใจเราฉกไปหาเขาสึกไ้มมันไปเองนะไปเองเห็นไหมเนี่ยอุตสาห์ต่ที่หลังเนี่ยใจมันปุ๊บปุ๊คอยรู้ทันมันนะห้ามมันไม่ได้ใจมันฉบไปแล้วรู้ว่ามันมันปุ๊บไปโน่นแล้วรู้ทันไปเรื่อยเราจะเห็นนีมันเป็นอนัตตามันบังคับไม่ได้มันทํางานได้เองถ้าดูกายก็ดูเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุดูว่าเป็นตัวทุกข์ ดูจิตดูใจก็เห็นแต่ความไม่เที่ยงเห็นแต่การบังคับไม่ได้น่าดูให้มากนะแล้ว ม, มากผลไม่หนีไปไหนหรอกมีนคนเจ็วันเจเดือนเจ็ดปีอะไรนี่แหละที่ท่านว่าแต่ถ้าเราทําไม่เป็นนะทําแต่สมาธิสงบไปได้เจดชาติก็ไม่ได้หรือฟุ้งตลอดเลยสมาธิไม่มีเลยลืมเนื้อลืมตัวตลอดเลยอีกกี่ชาติก็ไม่ได้และสรุปนะขั้นแรกเลยรักษาศีลห้าไว้ เมื่อตอนตั้งใจไปก่อนว่าจะรักษาศีลห้าการที่เรามาขอจากอาจารย์ขอจากพระจากอะไรเนี่ยมันเหมือนการปฏพยายาณตัวหาพยานนะว่าดิฉันจะรักษาศีลห้านะั้เวลาจะทำผิดศีลจะได้อายบ้างแต่ถ้าเราอย่างหนาตาช้างไม่อาย <laughs> ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกนะนะต่อไปเราก็รักษาศีลด้วยการรู้ทันกิเลสนะกิเลสโกรธขึ้นมารู้ทันโลภขึ้นมารู้ทันทุกคนรู้ได้นะแล้วศีลอัตโนมัติจะเกิด แล้วก็ฝึกในรูปแบบทุกวันนะทํากรรมฐานสักอย่างในึ่ใจนี้ไปเรารู้ใจเคลื่อนเรารู้มันจะได้สมาธิที่ดีขึ้นมาพอ ไ, ได้สมาธิที่ถูกนะคนไหนที่เคยเจริญปัญญามาแต่ชาติก่อนๆนะขันมันจะแยกทันทีเลยรูปนามกายใจนจะแตกตัวออกนะใจจะเป็นคนดูเห็นว่าร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์ก็แยกไปอยู่ส่วนหนึ่งนะกิเลสก็แยกส่วนหนึ่งใจเป็นคนดูอยู่ตระหะจะแยกเอง แต่ถ้าเราไม่เคยมีบารมีในทางเจริญปัญญามาก่อนนะมันไม่แยกมันรู้ตัวแล้วมันจะเฉยๆอยู่อันนี้ต้องช่วยมันวิธีช่วยมันคือพามันแยกนั่งนานๆหน่อยนั่งไปแล้วก็เห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูค่อยๆสังเกตอะไรเงี้ยร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูสุดท้ายก็เห็นร่ากายกับใจมันคนละอันกันก็เริ่มแยกพ็นั่งนานมันปวดขึ้นมาปวดขาบ้างปวดหลังบ้างปวดคอบ้างอะไรง เราจะเห็นเลยว่าร่างกายมันก็อยู่ส่วนหนึ่งแล้วความปวดเนี่ยมันมาทีหลังมันเป็นคนละอนกับร่างกายแล้วความปวดเนี่ยมันอยู่ที่ร่างกายใจเป็นคนดูมันคนละอนกับกายคนละอันกับใจเนี่ยค่อยๆแยกไปแยกขันไปเรื่อยหรือพอปวดมากๆเราอย่าเพิ่งขยับนะเราจะเห็นนาใจเริ่มทุรนทุรายโอ้นั่งนานมากไปแล้วเดี๋ยวจะเป็นอัมพาตนะเนี่ยยังไม่เคยเจอแล้วใครทำกรรมฐานไป็นอัมภาต มนะีแต่กินเหล้าเป็นอำมาภะอะไรอย่างเงี้ยเออใจมันจะทุรนทุรายนะเลิกเถอะเลิกเถอะนั่งมากกว่านี้นะเรียกว่าทรมานตัวเองสุดโต่งไปข้างไม่ดีนะกิเลสมันจะหลอกจะหลอกไอ้ ก, กิเลสที่มันปรุงฟุ้งขึ้นมาเนี่ยไมกว่าสังขารสังขารขันมันทํางานนี่เป็นอีกงานหนึ่งนะไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่สุขทุกข์ไม่ใช่จิตจิตเป็นคนไปรู้มันเข้าหรือความโลภ ค, ความโกรดความลงเกิดขึ้นเนี่ยจะเห็นเลยไม่ใช่จิตหรอกเียนสิ่งที่จิตไปรู้เข้า เนี่ยข้อยแยกแยกนะกายอยู่ส่วนหนึ่งสุขทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งนะกรูสอนนะครูสออยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่ ง, งค่อยๆแยกไปหลวงตามหาบวชท่านสอนทีนะท่านฟันธงเลยว่าถ้าแยากธาตุแยากขันธ์ไม่เป็นนะอย่ามาคุยอวดเรานะว่าเดินปัญญาอยู่เนี่ยท่านพูดเข้าหานมากเลยจากการปฏิบัตินะจะตรงกับปริยักษเป้เลยปริยักษเนี่ยปัญญาขั้นที่หนึ่งะชื่อนามรูปปริเชทยาน นารูปฤริีเททยานแยกรูปแยกนามแยกกายแยกใจได้ร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูได้แล้วถัดจากนี้ไปวิปัสสนาญาณถึงจะเกิดขึ้นถึงจะเห็นว่ากายนี้มันไม่ใช่เราไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นกายเห็นใจไม่ใช่วิปัสสนานะเห็นกายเห็นใจไม่ใช่วิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจถึงเป็นวิปัสสนาต้องระวังให้ดีนะ เห็นบางคนไปเข้าคอใช่พินษนานะเห็นท้องพองเห็นท้องยุบไม่ลืมเลยไ น, นั้นเห็นท้องไม่ได้เห็นไตรลักนะไม่ใช่วิปันษนานะใช้ป้ายว่าพินษนาก็ไม่เป็นหรอกต้องเห็นใจลักเห็นไอ้ตัวที่กําลังพองยุบเนี่ยไม่ใช่เรานะถ้าอย่างนั้นถึงจะเป็นนะค่อยๆดูนะค่อยเรียนที่นี่เขามีซีดีหลวงพออ่อแจกไหมคนจัดนะมีบ้างปะไปฟังนะไปฟัง อดทนนิดหนึ่งคนที่ฟังซีดีหลวงพ่อนะประมาณเดือนหนึ่งสุดนักเดือนหนึ่งสองเดือนอย่างช้าอะไรงี้ยขันแยกกายกับใจแยกคนละส่วนได้และจะพบว่าเราเปลี่ยนไปแล้วชีวิตจิตใจนี้เปลี่ยนไปหมดแล้วความรู้สึกนิ้คิดเปลี่ยนไปหมดไปธรรมะของพระเจ้าเป็นของอัศจรรย์นะสามารถเปลี่ยนใจของเราได้อย่างรวดเร็วไม่เนิ่นช้า ท่านเดินช้าเหมือนสิบปียี่สิบปีเหมือนเดิมไม่ใช่แล้วลนะ่ะทำผิดแล้วลนะ่ะถ้าทําถูกนะจะเปลี่ยนในเวลาอันสั้นเนียหลวงพ่อไปเทศเนเยมีคนมาขอบคุณหลวงพ่อเยอะแยะไปบางทีไปทุระนั่งรถไปนะไปแย่เข้าห้องน้ํตาต่ำปั๊มน้ํามันไม่เสียสตังค์หรอกปั๊มน้ำมันเมืองไท่เข้าห้องน้ําฟรีญาติยโยมเห็นหลวงพ่อแนละ้วเข้ามาขอบคุณก็มีนะชีวิตเขาเปลี่ยน ทำถ้าทำยังไงฟังซีดีมาดนนเดือนหนึ่งเดือนเดือนหนึ่งชีวิตก็เปลี่ยนแล้วจะเริ่มเห็นความจริงน ะ, ะ้วครับ่ากายมันอยู่ส่วนหนึ่งใจมันอยู่ส่วนหนึ่งสุขทุกข์มันอยู่ส่วนหนึ่งดีชั่วอยู่อีกส่วนหนึ่งแล้วแต่ละส่วนแต่ละส่วนมันทำงานได้เองมันไม่ใช่ตัวเราฝึกไปเรื่อยแค่ดูซ้ำซ้ำซ้ำไปดูอย่างนี้ซ้าไปเรื่อย จนถึงวันหนึ่งนะจิตมันมีบุญบารมีมากพอจิตจะรวมเข้าสมาธิจะเข้าสมาธิลึกนะถึงอัปปนาสมาธิแต่เป็นอัปปนาสมาธิแบบพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไปสงบแบบฤาษีนิ่งๆจิตจะรวมเข้าที่จิตนะถึงจิตจริงๆจิตถึงจิตจริงๆจิตรวมลงที่จิตไม่ใช่จิตไปรวมอยู่ที่อารมณอย่างถ้ารู้ลมหายใจจิตไปอยู่ที่ลมหายใจนี่เรียกอารามันุปนิชฌานมรรคผลไม่เกิดอย่างนั้น เวลาที่มรรคผลที่เกิดเนี่ยจิตจะตั้งตั้งมั่นอยู่ที่จิตเลยแล้วก็สติเนี่ยระลึกรู้โดยที่ไม่เจตนาระลึกนะปัญญาเข้าใจโดยที่ไม่เจตนาคิดด้วยนะี่จะรวมลงที่เดียวกันรวมลงที่จิตเนะี่ยศีลสมาธิปัญญารวมลงที่จิตในขณะเดียวกันแล้วกเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาว่าตัวเราไม่มีหรอกนี่จะล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้จริงๆริงเป็นท่าสดาบันกันตรงนั้น แล้วภาวนาต่อไปนะมะเห็นเลยกายนี้เป็นตัวทุกข์ทุกข์ล้นล้วนพวกเรายังไม่เห็นนะกายเป็นทุกข์ล้นล้วนเราเห็นว่าร่างกายนี้ทุกข์บ้างสุขบ้างรู้สึกไหมยังม่เห็นว่ากายเป็นทุกข์ล้นล้วนงั้นยังยึดถือกายอยู่วันใดที่เห็นกายเป็นทุกข์ล้นวนนะมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะจะหมดความยึดถือกายเป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีนะจิตจะถอนตัวออกมาแล้วก็ไม่ไปยึดถือในกาย่ ยังไม่ยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นส่วนของกายตายังไม่ยึดก็ไม่ยึดรูปหูไม่ยึดนะก็ไม่ยึดเสียงด้วยกระทั่งตายังไม่ยึดเลยจะไปยึดรูปที่ตาเห็นได้ยังไงไม่ยึดอะไรสะกนั้นพอไม่ยึดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผนัทธภคือสิ่งที่มาสัมผัสกายนะก็หมดความยินดีหมดความยินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสผนัภทธภาแล้วล ะ, ละกามและปฏิขาได้ เป็นภูมิธรรมของพระนาคามีเพะเห็นแจ้งนะ้วกายนี้เป็นตัวทุกข์การภานาถัดจากนั้นมันจะรวมลงที่จิตอันเดียวนะจะมาแตหากหักกันที่จิตอันเดียวส่วนใหญ่ไปไม่พ้นตรงนี้เพราะว่าจิตในขั้นนี้นะจะมีความสุขมหาศาลเลยยากมากที่จะเห็นว่าจิตเป็นตัวทุกข์ถ้าเคยได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์สอนวนะ่าจิตเป็นตัวทุกข์นะต้องปล่อยความจิตอีกชั้นหนึ่งนะก็ถึงจะผ่านไหวนะ ลำพังพวกเราไม่ผ่านด้วยตัวเองไม่ใช่ภูมิภูมิที่คนที่ผ่านได้ด้วยตัวเองมีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าหน้าตาอย่างพวกเราไม่ผ่านนะฟังที่ท่านสอนยังทำไม่ค่อยไหวเลยนะใครทำใครได้นะทำแค่ไหนได้แค่นั้นนี่แหละคือความยุติธรรมลนะยุติตามธรรมะเลยนะเราตามใจกิเลส เนี่ยตามใจอกุศลธรรมเราก็จะได้ผลอย่างนี้เราตามใจกุศลเราทำกุศลขึ้นมามีศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาก็ได้ผลอย่างนี้นะึกเอานะไม่ตกลัวมันกิเลสกิเลสมีสามตัวเองนะโลภโกรธหลงถูกธรรมะก็มีสามตัวนะศีลสมาธิปัญญา3ามต่อสามช่ไหวอยู่ที่ว่าจะสู้หรือไม่สู้นะสู้ไหม สู้สู้าต้องสู้สินะสู้ไหมสู้ <laughs> มันจำเป็นต้องสู้นะเพราะอะไรเพราะเราถูกความทุกข์บีบคั้นเรื่องอะไรเราต้องจมอยู่ในความทุกข์นิรันดร์ถ้าเราสู้เรามีโอกาสพ้นไปไม่สู้ต้องทุกข์ไปเรื่อย เราไม่ใช่หมูใช่หมานะได้เกิดมาก็อยู่สังกัตายไปวันวันหนึงตามตามกันไปมนุษย์ว่าผู้มีใจสูงเขาจะยกระดับใจของเราให้ได้นะด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญานี่นะแต่สมาธิต้องเป็นนะส่วนมากเป็นมิจฉาสมาธิที่นั่งนั่งเนี่ยยกตัว อ, อย่างเลยเนี่ยเพล่งลูกเดียวเลยหัวใจก็ทื่อๆนะไม่ได้นะเห็นหลายคนอยู่นะ รู้สึกไหมมันแน่นอยู่มันดืดออ๋ อ, อมันน่ามันแน่นต้องปล่อยนะจับตลอดนี่รันดอนไปเกิดอยู่ก็เลยเออถ้าจับปล่อยจับปล่อยใช้ได้หลายคนนะนักเพ่หอาชีพอะเห็นหน้าก็รู้แล้วหลวงพ่อนะี่ยเล่นสมาธิเั่นแต่เจ็ดขวบเล่นสมาธิเล่นได้เยอะเลยเพราะว่าธรรมานากปัญนะสตินักปัญสติเนี่ย เป็นสมถานที่กว้างมากเลยมันคลิกแรลงออกไปได้รอบทิศทางนะเป็นสมถะก็ได้นะเป็นวิปั ส, สนาก็ได้อนนาปนสติเนะี่ยถ้าเป็นสมถระรจิตสงบอยู่กับลมหายใจถ้าเป็นวิปั ส, สนานะก็เห็นเลยร่างกายมีหายใจไม่ใช่เราหายใจตรงนี้ก็ไม่เหมือนกันนะพวกเราต่อี้ลองดูนะลองดูลมหายใจของตัวเองสิ กำลังจิตดูไปลงไปที่ลมหายใจให้จิตจับอยู่ที่ลมหายใจลองดูสิตั้งใจทํำเขานะเวลาที่เจอกันมีไม่มากบอกให้ทําอะไรก็ตั้งใจทําเขาจะได้หลักได้เกณฑ์ติดตัวไปเะพอจําความรู้สึกตรงนี้ไปนะเอาใหม่ยิ้มหวานหวานยิ้มหวานหวานเนี่ยเป็นการล้มกระดานในที่เพง่งตะกี้นะ ทําใจสบายเนี่ยไม่เลิกเพ่งเลนี้ไม่เลิกจับลมเลยอย่านึนกว่าไม่รู้นะ <c oughs> อาเลิกจับลมยิ้มหวานๆมีความสุขเหมือนท่านอาจารย์เลี้ยงข้าวเย็นอนะ่ะสูงเนี้ยนะมีความสุขเอาละต่อไปนี้เอาใหม่เห็นร่างกายหายใจไม่ใช่เห็นลมหายใจนะเห็นตัวเนี้ยหายใจใจของเราเป็นแค่คนดูสบายๆดูด้วยใจที่สบายอย่างเนี้ย ใจกำลังสบายอยู่แล้วเห็นร่างกายหาย ใ, ใจเดีย่ยไปดูที่ลมนะรู้สึกไหมใจไม่เหมือนกันดูออกไหมไปอ่านสติปัฏฐานให้ดีนะอย่างในเรื่องอานาปนานสติเริ่มต้นท่านบอกพิสู่ทั้งหลายให้ครูบันหลังตั้งกายตรงดำ ร, รงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวให้รู้วหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่ายาวนะหายใจออกสั้นรู้ว่าสั้นหายใจเข้าสั้นรู้ว่าสั้น แล้วก็ค่อยๆดูไปเห็นร่างกายมันหายใจเห็นร่างกายมันหายใจลองไปดูนะใน ส, สติปัฏฐานเนี่ยไม่ได้สอนให้ไปดูลมหายใจนะไปสอนให้เห็นร่างกายหายใจนะไปดูให้ดีนะคำพูดของผู้เจ้าแต่ละคำแต่ละคำมีความหมายเท่านั้นเองท่านบอกให้คู่บันลงังคู่บันลังทือนั่งขัดสมาธิทาไมต้องนั่งขัดสมาธิ ครอบครนแครอ่ะไม่มีเก้าอี้นั่งอ่ะถ้าเรามีเก้าอี้นั่งนั่งเก้าอี้ได้ไหมนั่งได้เอาหัวชี้จิ้มดินเอาตีนชี้ฟ้าอย่างได้เลยเนี่ยนั่งเก้าอี้ก็ได้นะไม่ต้องนั่งขัดสมาธิก็ได้แต่ว่าคนอินเดียเขานั่งกับพื้นพ้าไม่มีเก้าอี้เนี่ยเขานั่งกับพื้นนั่งกับพื้นถ้านั่งที่ดีที่สุดนั่งขัดสมาธิเราไม่ถนัดนั่งสมาธินะนั่งแบบหลวงพ่อคุณก็ได้รู้จักไหม อ๋อนั่งอย่างเราเ้นหลวงพพูดก็ได้เหมือนกันนะท่าไหนก็ได้นะแต่ว่าท่าที่ดีถ้านั่งสมาธิพิสูจทั้งหลายให้เธอคู่บันลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าตั้งกายตรงเนี่ยไม่ใช่ละท้ละทวยนะดำรงสติเฉพาะหน้ารู้อะไรเนี่ยเห็นร่างกายมันหายใจออกเป็นร่างกายมันหายใจเข้านะจึกเรื่อย ใจไม่จะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาไม่จะเห็นว่ากายกับใจเนี่ยคน ล, ละอันกันนะเราไปดูนะพะสูตรเนี่ยมีอะไรที่แปลกๆเยอะเลยเริ่มต้นด้วยหายใจออกพนะิสูจทั้งหลายคู่บันลังตั้งกายตรงนำรองสติเฉพาะหน้าแล้วไม่ได้บอกให้หลับตาด้วยนะของเราตมาทีที่คิดถึงสมาธิต้องหลับตาใช่ไหม เพราะเราดูหนังหรือสีมากไปสีก็นั่งหลับตานะนะครูบันลังตั้งกายตรงดํำรงสติเฉพาะนะไม่ได้มีคําว่าหลับตาถ้าจิตสงบเนี่ยตามันปิดเองตามันหลับเองหายใจไปเห็นร่างกายหายใจเห็นด้วยความรู้สึกนะแล้วท่านบอกหายใจออกยาวรู้ว่ายาวไม่หายใจออกทำไมไม่เริ่มจากหายใจเข้า แล้วต่อไปนี้เราหายใจทำสมาธิแล้วหายใจเข้าก่อนสิอ้าวอ่าพอยิ้มหวานหวานยิ้มให้มันคลายออกต่อไปนี้ทำสมาธิด้วยการหายใจออกก่อนมีปลบในปอนนิดเดียวหายใจออกนิดเดียวได้รู้สึกไหมจิตจะไม่เหมือนกันถ้าหายใจเข้าจิตจะแน่นรู้สึกไหม yeah. แต่ถ้าเราเริ่มด้วยหายใจออกนะมันจะไม่เกร็งใจจะไม่เกร็งขึ้นนะนคําของท่านแต่ละคนะํานะเงยไปอวดเก่งคิดเอาเองนะดูที่ท่านสอนเนละนั่งสบายสบายหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกทำไมยาวทีแรกทำไมยาวอะไรยาวหายใจถ้าเราหายใจตามธรรมชาติเนี่ยลมมันรู้สึกลมมันลงไปถึงท้องนะแต่พอจิตเริ่มสงบเนี่ยลมมันจะตื้นขึ้นเรื่อเร ย, ยนะ ชัวทังลมมาหยุดอยู่ที่ตรงปลายจมูกเนี่ยลมหยุดเลยแล้วตื้นลมจะสั้นสั้นสขึ้ น, นเลืได้เพนะฉะน้นตอนหัดใหม่ๆจิตยังฟุ้งอยู่เนี่ยจใหจหายใจยาวพอจิตใกล้จะสงบนล้วลมจะเหลือนิดเดียวกุกกิ๊กกรุ๊กกิ๊กกุกกิ๊กกรุ๊ก ก, ก, กหยุดมันจะกลายเป็นแสงนะตรงที่ลมเรามีสติรู้ลมเนี่ยลมเรียกว่าบริกรรมนิมิตตรงมันกลายเป็นแสงเรียกว่าอุคหานิมิตะ ก็ถ้าเราชานาญด้วยนะเรากำหนดได้ให้ใหญ่กว้างกวา ง, วางแสงเนี่ยนะกว้างแค่ไหนก็ได้เล็กก็ได้ถ้าเล็กลงมาเท่าปลายเข็มนะแสงมันจะเข้มข้นมากเลยเราเล่นได้ปีติเกิดความสุขเกิดนะเข้าปฐมฌานไปตรงที่เราเล่นแสงได้เนี่ยเรียกว่าปฏิภาคนิมิตนี่สำหรับคนที่เล่นลมหายใจแล้วจะเข้าฌานจะเข้ากันอย่างนี้ตรงที่ได้ปฏิภาพเนี่ยได้อุปจารสมาธิ คนที่พวเรานั่งเราเคลิม้มเคลิมล้มเราบอกว่าอุปจาระนั้นไม่ใช่นะพราะนั้นโมหะนะเกือบร้อยละร้อยนั่งสมาธิไม่เป็นนะนั่งรักสุนนัปนสตินะัใช้ทําสมถะก็ได้ใช้ทํามิปัสสนาก็ได้นะแลนะ้ถ้าฝึกให้ชํานาญนะคลิกไปเป็นอภิญญาก็ได้เป็นกสินก็ได้นะเพตัวลมมันก็เป็นกสินตัวแสงมันก็เป็นกสินนะคลิกได้เยอะแยะเลย แล้วจะใช้ทําความสงบด้วยลมหายใจแล้วถอยออกมาเห็นร่างกายหายใจนะทําสมาธิแล้วมาเดินปัญญาอย่างนี้ก็ได้นะเดินปัญญาอยู่เนี่ยรู้สึกตัวอยู่เห็นในตัวนี้มันหายใจใจเป็นคนดูไม่ใช่เรานะเนี่ยสภาพหนึ่งจิตก็รวมสงบลงไปนม่ใช้ปัญญานําสมาธิก็ได้เนะื้อหายใจไปแล้วก็จิตมีปีติมีความสุขนะเห็นองค์ชาญเกิดดับไป ได้นไปเดินปัญญานในฌานก็ได้ทำได้สารพัดเลยนะอานาปนาสตินะเป็นกรรมฐานชั้นเลิศเลยนะจะ ต, ต้องทำให้ตรงที่พระเจ้าสอนนะเาาเพลงไปอีกแล้วมือนแน่นนะพอสมควรแล้วนะพอสมควรแล้วเทศให้ฟังมากกว่า น, นี้นะก็ญาติโยมจะเหนื่อยเกิน ตอนนี้เริ่มรับไม่ไหวแล้วเริ่มรู้สึกไหมสมองเริ่มลาแล้วถ้าใครจะส่งกันบ้านเชิญแต่สรุปซะหน่อยนะถือสีนห้าไว้ทุกวันทำในรูปแบบนะโดยการทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันจิตที่หนีไปจิตที่ไหลไปฝึกบ่อยๆเวลาที่เหลือจเจริญสติจเจริญปัญญาในชีวิตธรรมดานี้หนนะ่ถ้าในชีวิตจริงพอนามไม่เป็นนะ โอกาสได้ผลนี่ยากมากเลยเพราะชีวิตส่วนใหญ่เราอยู่ข้างนอกนี่ไม่ได้อยู่ในห้องพระไม่เก่งตอนทําในรูปแบบนะไม่ได้กินหรอกทําในรูปแบบมันก็เหมือนทหารซ้อมรบไม่เคยรบจริงเลยหรือนักมวยซ้อมมวยอยู่ในค่ายนะไม่เคยขึ้นชกจะชกจริงๆก็อยู่ในชีวิตนี่แหละเวลาตามองเห็นความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้ทันหูได้ยินเสียงความรู้สึกเกิดขึ้นรู้ทันใจคิดความรู้สึกเกิดขึ้นรู้ทัน ฝึกอย่างนี้ในชีวิตจริงๆเลยแต่ว่าแบ่งเวลาวันหนึ่งสิบห้านาทีทำในรูปแบบฝึกจิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้จะได้พลังนะงินไม่มีแรงจะฟุงนี่ห น, นีไปแล้วรู้สึกไหมเออมานั่งใกล้ๆหลาไหลๆอย่างนี้ต้องถดกดหลวงพ่อ ด, ดูนะดูมากๆเลยบางคนบอกว่าเรียนกรรมตายกรบพระมไม่เห็นมีรูปแบบเลยง่าย ยากที่สุดเลยใจไหลคลิกหนึ่งหลงไปกนะ็โดดแล้วแล้วกลัวว่าใจจะไหลเลยรักษาไว้ยิ่งโดนหนักกว่าเก่าอีก <laughs> ใจไหลไปหลงไปเนี่ยนะเป็นการมาสู่ขันธิการนุโยกสุดโต่งไปข้างตามกิเลสบังคับเอาไว้เนี่ยเป็นอัตตะกิลมัฐานุโยกข่มตัวเองลำบากกายลำบากใจนะถือสิลนห้านะ ทุกวันทาในรูปแบบก็คอยรู้ทันใจที่เคลื่อนไปวันหนึ่ง15นาทีพอล้วเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตจริงเนี่ยแหะตาหูจมูกนิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วเกิดความรู้สึกอะไรก็รู้ร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้จิตใจเคลื่อนไหวก็รู้ฝึกไปเงี้ยถนัดรู้กายก็รู้กายไปแต่ว่ารู้กายใจก็เป็นคนรู้นะจะรู้ทั้งกายทั้งใจนะไม่ใช่มีสายกายสายจิตอะไรไม่มีอีกต่อไปแล้วละถึงจุดนั้นจุดที่เดินปัญญาที่แท้จริงไม่มีสายนะ มื่อจิสติะระลึกรู้กายก็เห็นใจรักของกายสติะระลึกรู้เวทนาก็เห็นใจรักของเวทนาสุขทุกข์ทั้งหลายสติะระลึกรู้จิตก็เห็นจิตดีจิตชั่วทั้งหลายเมื่อแต่เกิดแล้วดับเหมือนกันทั้งสิ้นและแต่สติะระลึกรู้อะไรสิ่งนั้นแสดงใจรัก์ทั้งสิ้นงั้นสิ่งที่เห็นนั่นคือใจรักษ์ไม่ใช่ดูกายไม่ใช่ดูใจนะงั้นไม่มีคําว่าสายกายสายจิตอีกต่อไปแล้วแหะพอถึงขั้นที่ทําวิปัสสนาจริงๆพอไหวไหม ไม่ไหวก็ไม่รู้จะทำไงแล้วสอนง่ายที่สุดละนะเอาใครจะส่งกันบ้านว่ามามีไหมไม่มีจะได้ไปจิตปกติเหมือนตอนนี้ไหม เออต้องไม่เป็นนะเป็นในนี้ไม่ดียังตื่นเต้นไังกดจิตถึงฐานไหมขนาะนี้ก็ถูกสาผานถ้าจิตไม่ถึงฐานนี่จิตไม่มีสมาธิพอนะแจมันจะออกนอกหลวงปู่ดืนเรียกว่าจิตออกนอกนะออจบการบ้านหลพ่อมาแหอจะจิเต้นอืมที่ทำเนใช้ได้แล้วล่ะนะเห็นไหมว่าร่างกายมันทำงานได้เอง ใจมันทํางานได้เองดูนะอเแต่หลวงพ่อก็ยังบอกว่ายังเห็นไหมจิตมันยังยึดจิตอยู่ก็ดูตรงนี้อยู่ก็เห็นว่าบางทีมันก็ยึดบางทีก็ปล่อยมันปล่อยไม่ได้จริงหรอก<ะ>ที่มันปล่อยไม่ได้เพราะมันยังเห็นว่าจิตเนี้ยสุขว่างทุกข์ว่าง<ะ>มันไม่ได้เห็นทุกข์แต่อยู่ๆไปสั่งให้เห็นทุกข์ก็ไม่ได้นะ องมีปัญญาพอมันถึงจะเห็นทุกข์ปัญญาเกิดได้ก็าอาศัยเรามีจิตตั้งมั่นแล้วดูเหมือนมากๆไปทำอีกไป เ, เป็นสิบปลายแถวครับไม่ได้เจอหลวงพ่อมานเอสามปีแล้วครับไป อ, อยากให้หลวงพ่อช่วยดูสังเกตไหมว่าตอนนี้กับเมื่อก่อนใจเราไม่เหมือนกันดูออกมากงไหมก็ดูครับใช่สังเกตไ้ว่าโลกมันห่างออกไปใช่ครับ ขันมันเริ่มแยกออกนะงั้นว่ามันเริ่มแยกได้ก็จะดีแล้วละ่ะยากมากเลยนะ<ม>ว่าขันมันจะแยกออกไปแต่ละคนครับเมื่อขันนั้นแยกออกไปแล้วต่อไปนี้เราดูไตรลักษณ์ของรูปของนามไปได้ครับถนัดดูรูปหรือนามถนัดดูเวทนาครับถนัดูเวทนาเป็นนามธรรมครับเกิดในกายบ้างในจิตบ้างหเห็นไหมมันเกิดได้เองสร้างมังนไม่ได้ใช่ไหมจะดูเวทนาสมาธิต้องต้องแรงพอนนะครับนะ เพราะเวทนาโนภาษนาหมอกสมาธายานิกครับงั้นต้องทาความสงบด้วยครับเึงจะดูเวทนานได้ดีทําสมาธิด้วยครับเมื่อกี้เนี่ยอทั้งชั่วโมงเนี่ยจะเห็นความรู้สึกตัวเพ่งบ้างไม่เพ่งบ้างอืมแล้วก็ถ้าไม่เพ่งเนี่ยจิตมันจะเบาแล้วมันสบายครับอืมเราไม่ได้เอาจิตที่สบายครับไม่ได้เอาจิตที่เบาหรอกนะ เราไม่ได้อาจิตที่รู้สึกตัวเราฝึกรู้สึกตัวเนี่ยไม่ใช่เพื่อจะให้รู้สึกตัวนะตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเรามีแต่จิตหลงหลงหลงหลงหลง ล, งลงนะมันเลยรู้สึกจิตมีอันเดียวคือตัวเรามันหลงคงที่อยู่นั่นกลายเป็นเราอันเดียวแต่พอเรามีจิตที่รู้สึกตัวนะมันจะเห็นว่าจิตในอดีตนเนี่ยมันหลงไปใช่ไหมแล้วมันดับไปละเกิดจิตรู้สึกตัวจิตรู้สึกตัวอยู่ชั่วคราวก็ดับไปกลายเป็นจิตหลงอีกจิตหลงอยู่ชั่วคราวก็ดับกลายเป็นจิตรู้สึกตัว งันที่เรามีจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมาเพราะเพื่อจะได้เห็นมาทั้งจิตที่รู้สึกตัวทั้งจิตที่หลงนะเกิดเราดับทั้งสิ้นครับนะต้องการตรงนี้นะไม่ใช่ต้องการรู้สึกตัวครับขอบคุณครับยังไม่ได้มาสง่งทานนะเพ <laughs> <laughs> ราะว่าเพิ่งเคยเจอท่านทางแรกค่ะเออแต่ว่าเคยก็หัดเองะคะ่ะพยายามรู้สึกว่ามันแวบไปแล้ว น, ออนั่นแหละถัดถูก แล้วยังไงต่อนตรงที่เรารู้ว่ามันแวบไปนะภาวะแห่งความตื่นมันก็เกิดขึ้นรู้สึกไมมันเหมือนเราตื่นขึ้นจริงต้อมารู้สตัวว่าเออเอาแวบไปเราเหรอนั่นแหละอเห็นนั่นแหละเห็นไหมมันแวบได้เองตัวที่มันแวบไปแล้วเรารู้ว่าแวบเรายังได้สมาธินี่แวบเรารู้สึกแวบเรารู้สึกต่อไปจะเกิดปัญญาหรือเกิดความเข้าใจขึ้นว่ามันไม่เที่ยงแต่นะอนเกิดแล้วก็ดับไหจิตที่รู้สึกตัวเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไหลไปเกิดแล้วก็ดับแล้วก็เป็นอนัตตาสั่งไม่ได้ ถ้าเกิดนะนะนะเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็ดับเลยจะสั่งไม่ได้เดี๋ยวนั้นเรียกว่าขั้นเจริญปัญญาเยี้ยที่ดูอยู่เนี่ยใช้ได้แหละมันได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาเพราะว่านั่งดูอยู่นั่งกนี้ก็ดูไปเรื่อยๆดีดีดูอย่างนั้นนะค่ะที่ทำอย่างนใช้ได้ไหมคะก็สังเกตไม่ว่าเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะทําเป็นแล้วลนะดี แต่ว่าอย่าไปบังคับมันนะใจมันอย่างโลกมันจะเอาเร็วใช่ใช่สิไม่หลอกเพราะมันมันออกบ่อยมันหลงบ่อยเอนหลงบ่อยหลงหลงหลงแล้วหลงบ่อยดีแต่อย่าให้หลงนานคือไม่อยากให้มันหลงไม่อยากให้หลงก <c oughs> ็เรียกว่าไม่อยากยอมรับความจริงของธรรมะ <c oughs> ธรรมะคือเราบังคับไม่ได้จิตจะหลง <c oughs> ก็ห้ามไม่ได้นะจิตจะรู้สึกก็สั่งไม่ได้เราพอนานนะเพื่อให้เห็นความจริงไม่ใช่เพื่อเอาจิตที่รู้สึกตัว เมื่อกี้ที่เราพ่อบอกคุณนั่นนะไม่ได้เอาจิตที่รู้สึกตัวนะแต่มีจิตรู้สึกตัวเพื่อจะเห็นว่าเมื่อกี้มันหลงไปต้องการแค่นั้นเองจนวันหนึ่งปัญญามันเกิดจะรู้ว่าจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับใช้ได้ไปจำอีกไหมก็จำธรรมการค่ะก็ปฏิบัติการทางสีสด้านตอนนี้อยากขอความที่เนจากธรรมการเพราะว่า มันไปเห็นกายไปเห็นที่เกิดขึ้นเองแต่ว่าตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าเราไปเห็นมันเองแต่ว่าควรจะดูอาการเกิดดับตลอดสายหรือว่าแค่รับรู้อย่าไปอภาวนาอย่าให้มันเครียดมากเครียดเกินมันเอาจริงเอาจังเกินไปภาวนาต้องทําเล่นๆนะนี่จริงจังมากเลยหากคอกิเลสเนี่ยตอนนี้ตื่นเต้นตืนเต้นภาวนาเลยวปล่อยมอน ที่ฝึกอยู่ใช้ได้ไดเส่นจไหมใจเราสว่างสบายสบายดีให้คนทางเยอรมันนี่พอไหนดีเยอะแฮะธรรมศาร์ท่านค่ะติดตามทางทีวีของท่านมาจากคุณแม่หลายหลายครั้งค่ะก็ตอนนี้ก็ตั้งใจปฏิบัติมา ก, มากๆแล้วก็ประไว้หน้าตัวว่าจะทำอย่างสม่ำเสมอใส่เจไหมว่าใจเราเปลี่ยน มันสบายนะสบายขึ้นค่ะเบาขึ้นภาวนาอย่างที่หลวงพ่อสอนนะเราจะเปลี่ยนในเวลาสั้นค่ะใช้เวลาไม่นานหรอกเคยทุกข์มากก็ทุกข์น้อยนะเคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้นค่ะจะเปลี่ยนค่ะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยคือใจมันหลุดไปเนี่ยนะคะคือมันโกรธปั้บแล้วก็ทิ้เอ๊ะทำไมโกรธอีกแล้วล่ะคือไม่อยากจะโกรธไม่อยากจะโกรธไม่ได้มันโกรธมันสอนธรรมะเรา มันโกรธเองดูธรรมะนั้นดูใจรักไม่ใช่ฝึกไม่ให้โกรธแล้วตอนนี้โยมทำได้ถึงดีขึ้นหรื อ, อยังไงคะหรื อ, อยังไ ม, <ด>ไม่ดีไม่ดีก็รู้ด้วยตัวเองอยู่แล้วละนะ <laughs> แต่จริงๆโยมก็โยมก็พอจะรู้ได้หลวงพ่อก็ว่างนกนแล้ว <laughs> ขอบพระคุณครับนำ้นำมัสการค่ะหลวงพอ่อ หนูไปส่งกันบ้านที่เมืองไทยตอนเดือนกรกฎาปีที่แล้วค่ะแต่ว่าในช่วงประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมารู้สึกเหมือนมันไม่ค่อยมันไม่พัฒนามันเห็นแต่ทุกข์ซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็แล้วก็วกมันจิตมันกลับไปกลับมาระหว่างโทศาสตร์กับหดหูดห่ซึมเศร้าอะไรทำนองนั้นนะคะแล้วก็คือเหมือนบางทีถึงเรารู้ตัวขึ้นมาไอ้ความโกรธมันก็ไม่เห็นหายไปเลยค่ะเราใจเราไม่เป็นกลางใจเรามีความโกรธซ้อนความโกรธ เราโกรธไอ้ความโกรธตัวแรกนะเราอยากให้มันหายเราไม่ชอบมันให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบมันะเราไม่ชอบความรู้สึกอย่างนี้ให้รู้ทันลงไปแลใจไม่เป็นกลางไม่ขาดออกแล้วก็อย่างอย่างบางทีอย่างอันนี้เคยเห็นเห็นมามันพักใหญ่แล้วคะ่ะสัเป็นปีแล้วเห็นที่จิตมันไหวไหวอื ม, อมดีแล้วก็แต่ว่าคือ เคยได้ฟังซีดีหลวงพ่อพูดถึงอุปจาระสมาธิค่ะคือเวลาที่เราเห็นจิตหวไหวนี่คือหมายถึงว่าจิตมันต้องมีอุปจาประต้องมีคณิกะสมาธินะในสมาธิเราเห็นเป็นขณะขณะแล้วก็อย่างอย่างจิตมันหวไหวแล้วที่แล้ ว, ลวมันก็ถูกชนะใช่แล้วเห็นไหมว่ามันไหวได้เองเวลาที่เห็นจิตไหวนะจุดสําคัญก็คือเราต้องไม่ถลําลงไปดูมันดูห่างๆอย่างตอนนี้ดูห่างๆได้ ดูห่างเป็นแล้วพอเราดูห่างหาเราเห็นมันไหวดูมากๆยเห็นแต่ทุกข์รู้สึกไหมจะเป็นทุกข์ไปหมดเลยใช่เนะพราะเห็นทุกข์ตัวนี้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเหนื่อยมากเลยไม่มีที่พักจุด ท, ที่จะช่วยให้เราพักได้เวลาเห็นความไหวขึ้นกลางและอกเนี้ยคือสมถะเท่านั้นเองคือสมถะไม่ได้่คือทำไม่เป็นอ่ะง่ายสไตล์นั่งดูร่างกายหายใจสิ ก็ับไปนี้เห็นร่างกายหายใจดูเล่นๆสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้อยากสงบนะถ้าอยากสงบจะไม่สงบเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายหายใจดูไปสบายๆคือจิตอยู่ในอารมณ์อันเดียวหเห็นร่างกายอันเดียวนี่แหลนะเดี๋ยวก็ได้ความสงบพอได้สงบนะมีแรงกลับไปดูให้ไหวๆได้อีกถ้าไม่งั้นจะเหนื่อยมากเลยอย่างอย่างทัวตื่นเช้าขึ้นมาเงี่ย ไอ้ตอนที่ตื่นยังมันยังไม่ไหวแล้วเดี๋ยวพอเริ่มตื่นรู้ตัวมันก็ไหวขึ้นมาแล้วมันก็ทุกที่จริงยังไม่เห็นนะยังไม่มันไหวไม่ได้แต่ตอนหลับนะ <c oughs> <c oughs> มันไหวนะมันไหวขึ้นมาจากความว่าง <c oughs> ตรงที่ไหวขึ้นมาเนี่ยเปผวังขจรณะเคลื่อนอยู่ในผวังเคลื่อนตัดเป็นผวังกู้ปัจเถ้าตัดผวังออกมาตื่นขึ้นมาตอนตื่นขึ้ น, น, ม, า น, นมาเนี่ยยังไม่รู้ ว่าจะรูั่ารมทางไหนตื่นเฉยเฉยยังไม่รู้ว่าตาหรือหูจะทํางานหรืออะไรทํางานใจมันขึ้นแบบล้วแต่เดี๋ยวหนึ่งก็จะเกิดรับรู้ทางตาหรือทางหูหรือทางร่างกายอะไรเนี้ยเราเลือกไม่ได้เท่านั้นเลยค่อยๆดูไปสนุกดีแล้วก็บางทีมันเริ่มรู้สึกเหมือนมันมีความเบื่อแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าอันนี้คือ น, นิพพิทาหรือว่าเป็นโ ท, โทสะโทสะนะเข้าใจยังไม่กลาง เมื่อไหร่หลวงพ่อจะไปอังกฤษมาไม่ไปตอกไม่มีใครนิมนต์จร <laughs> <laughs> ิงๆก็ๆหอยู่อังกฤษอะค่ะแล้วก็ <laughs> แล้วก็หลวงพ่อมาที่นี่ก็มาเล็กนิดเดียวนะ <laughs> หลวงพ่อมาที่นี่เราก็บินมาได้ <laughs> ใกล้จะตายไปหลวงพ่อไปเทศอเมริกานะประเทศอะไรมันใหญ่ชะมัดเลย <laughs> แต่ละรัฐมันเหมือนประเทศหนึ่ง <laughs> บางคนนะขับรถมาตั้งสิบกว่าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ย มาฝั่งเทพโอ้ทนมากเลยพวกเราอยู่กันใกล้ๆนะประเทศแถนี้กระจุกกระจิบกันเล็กๆหลวงพ่อมาก่อนไปเรียนจากครูบาอาจารย์นะนั่งรถไปเป็นวันๆหนึ่งกันนะนานเพื่อจะไปอเอาธรร ม, มนะถ้าผมขอกลับมาศกาตามหลวปู บ, บ า, าอาจารย์ก็ Mm hmm. แล้วก็อยากที่ทำทุกคนเนะี่ยขอสวัสด้ครับผมพรขออนุญาตกราบยนถามเกี่ยวกับสามสิบเด็ดพบคูมนะครับคือ mm hmm. ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนอยู่ตอนที่เรายังมีชีวิตหรือว่าต้องตายนตนมัีทั้งอสองอย่างนะมันมีทั้งสองอย่างนะเรียกว่าพบน้อยพบใหญ่นะอย่างขนาดนี้ในพบใหญ่ของเราเป็นมนุษย์ แต่พบย่อยๆในใจเราเนี่ยเปลี่ยนตลอดเลยเวลาที่เราโกรธหรือใจเราเศร้าหมองนะเราก็กําลังเป็นสัตว์นรกอยู่เขาเรียกว่ามนุษย์นิรโยตัวเป็นมนุษย์ใจตกนรกบางทีตัวเราเป็นมนุษย์ใจเป็นเปริดใจเราโลภอย่างเงี้ยบางทีใจเราก็มีบุญมีกุศลนะมีศีลมีธรรมใจเราก็ยกระดับใจมีสมาธิมีฌานก็เป็นใจของพลมไปอนยะ่างเงี้ยงั้นพบย่อยๆเนี่ยหมุนอยู่ตลอดเวลา ให้คอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงในภพย่อยๆนี้แหละภพใหญ่มันนานกว่าจะเปลี่ยนอยู่กันหลายปีแต่ภพข้างนอกมีนะไม่ใช่ไม่มีนะไม่ใช่ตายแล้วศูนย์เราภอวนานะเพื่อเข้าใจจิตเนี่ยเกิดดับสืบเนื่องกันเป็นลูกโซ่เลยนะไม่ใช่จิตตดวงเดิมออกจากร่างไปเกิดใหม่ด้วยนะถ้าจิตเนี่ยเกิดดับอยู่ตลอดเวลาพวกเราพอนาเห็นไหม มันเกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเลย น, ะนี่เชื่อเห็นความเกิดคือตัววิชามีอยู่พนะร่างกายนี้แตกดับจิตดวงสุดท้ายดับลงนั่นก็เกิดจิตในภพใหม่ขึ้นมาอีกนะมันมีจริงๆรินะพบมาเอาพุทธภูมแล้วนะวันนี้อ่านธนาพุทธภูมแล้วเปล่า ปฏิบัติพูดโพนะคะแล้วทีเนี้ยจะรู้สึกว่ามันสงบแล้วพอช่วงหลังมาหนูไปใช้ขวา ย, ยั่งหนอซ้ายยั่งหนอแล้วก็ยึดหนอของตามตา ม, ตามอารมณ์นะคะตามจิตแต่ทุกวันนี้ลหลวงพ่อเวลาทําแล้วใจมันขึ้นิติแล้วก็แต่หนูก็ตามนะแต่เวลาหนูจะทําทุกวันนะคะวันละชั่วโมงเดินสามสิบนั่งสามสิบแล้วก็เวลาเวลาเชา้า จะเตือมาตีห้าทุกครั้งเลยหลวงพอ่อจะต้องมาทําไม่ทําไม่ได้มันจะรู้ว่ารู้หนอรู้หนอรู้ตนตลอดเลยค่ะแต่ว่ารู้ว่าจิตตัวเองเนี่ยมันเป็นสมัมจิตที่ว่าเมตตาน่ะหลวงพอ่อไม่เข้าใจก็ดีกว่าจิตไร้าดีกว่าใจบาปหา บ, บช้ า, าแต่ไม่นิพพานหรอกแต่ยากให้หลวงพอ่อว่าจะสอนอะไรหนูอีกค่ะอย่าให้จิตติดอารมณ์ จ, จิตเนี้ติดอารมณ์อยู่นะมครอบงาจิตอยู่ ไม่เป็นตัวห่อตัวเองเวลาความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นให้รู้ทันความรู้สึกนะจกใจยินดีให้รู้ทันใจยินไยให้รู้ทันให้รู้ตัวนี้เขาเองรู้ยินดียินไครับพี่ใจจะได้รูามมา้ธรรมะไม่ต้องบริกรรมหรอกาก ยังเวลาคิดนะเราก็บร<ช> uh ิกรรมคิดหนอคิดหนอยิ่งคิดหนักกว่าเก่าอีกก็คิดคำว่าคิดนั่นแหละจะหนูเคยนะหลว่อหนูเคยนอนนอนกําหนดแล้ว <đầu> ถ <Laura> ู <has shortly. S 2> ้ว่าจิตมันวิ่งออกนะคะอรู้สึกว่าจริงว่าจิตหนวิ่งออกปั๊บหนูก็รู้หนอรู้หนอแล้วมันก็จะกลับมากระตุ้นมันบริกรรมจะไม่เป็นมิปัสนาหรอกมิปัสนาไม่ได้คิดนะมิปัสนาปัตสนะว่าการเห็นค วิแปลว่าแจ้งเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเห็นตรลั์ของรูปนามจะเป็นวิปัสนาถ้าคิดเอาเรียกวิโตกคนละอนกันนะเพระฉะนั้นสามใดที่ยังคิดอยู่ไม่ขึ้นวิปัสนานะค่ะคให้รู้ให้รู้ทันรูปนามแสดงใจรักสาธุปลื้มมากไปจะปลื้มปลื้มได้ได้ได้รู้และได้เห็นเข้าไปลึกๆในหลวงพ่อเห็นไหมมันกูเก่งด้วย ใช่เออเนราก็หนูหนูก็พยายามจะฆ่าตัวนี้หลวงพ่อว่ะฆ่าไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมหล่อไม่มีใครสู้กิเลนได้หรอกมีแต่รู้ทันมันจ้ะพอกูเก่งขึ้นมาก็รู้ทันมันจ้ะเรียนจากหลวงพ่อนะ้หน้าตานี่แตกหมดนะอันนี้หนูก็ยังสั่นแต่ก็สาธุเป็นบุญที่ถึงสู้นะต้องสู้จะคือเราไม่ได้เรียนเพื่อเอาใจกัน หลวงพ่อแมวใจลูกศิษย์นะจ้าสาตูตลกได้ถลกหนังเลยนะสาตูจ้าสาตูก็ทำคำสอนหลวงพ่อหนูก็จะไปปฏิบัติของหนูนะจุดที่เป็นจุดอ่อนมากๆเลยคือจิตเนี่ยมันถูกอารมณ์ครอบงาเสมอเลยเพราะงั้นก็เข้มแข็งกว่า น, นี้นะแล้วก็ไม่ใช่บริกรรมไปด้วยไม่หายหรอกได้จรหนูเป็นโรกหัวใจหลวงพ่อบางทีมันตกใจนะพราะได้เสียงอะไรมันเหมือนคุ่นมงโหนนะหลวงพ่ อ, อ, อหนูก็มโนเอา ตกใจเนาะตกใจเนาะรู้เนาะรู้เนาะอเอีอย่างเงี้ยก็จําเป็นเนาะดีกว่าหัวใจวายพายไม่ได้แล้วหลวงพ่อเนี่ยหนูมาเป็นยี่สิบปีแล้วหนูพายไม่ได้แต่ก็รู้ตัวรู้ตัวเนาะรู้ตัวเนาะอยงเ้ยทุ่งละรู้สึกไหมใจมันฟุ้งอยากรูอะอยากพูดจ่ามันจะฟุ้งหนูก็พยายามดึงมาแล้วหลวงพ่อทำผิดแล้วล่ะฟุ้งให้รู้ว่าฟุ้งดูพระพิฆสุเท่าไหร่จิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านไหมทําแค่นี้นะ ท่านไม่เคยสอนนะดูรับพิสูจเท่าไรจิตฟุ้งซ่านให้บริกรรมว่าฟุ้งซ่านหนอรู้ตัวหนอรู้ตัวหนอก็ไม่รู้หรอกคิดหนอแล้วสิมันจิตหนอไหรือะมันไปทัวเลยเห็นมเห็นไหมเห็นไหลบตัวเองแล้วเห็นมไปร่อเลยเราอินในการคุยรู้ทันหรออ่ะพอละอ่ะอ ปฏิบัติตามสีดีไม่แน่ใจว่เห็นหมว่ากายกระใจเนี่ยคนล้านคดูออกแล้วใช่ไหมแม้ความรู้สึกทั้งหลายกระใจก็โคนล้านแต่ยังขี้โมโหอยู่คัห้ามมันไม่ได้คนขี้โมโหมีบุญนะเพราะมันเป็นกิเลสที่ดูง่ายที่สุดเลยตัวโมหะเนี่ยดูยากโทสะดูง่ายที่สุดคพอเราหงุดหงิดที่มารู้ว่างุดหงิดหงุดหงิดมาละหลายหนน ตอตาเห็นใจหงุดหงิดรู้ทันหูได้ยินเสียงใจหงุดหงิดรู้ทันใจเราคิดมันหงุดหงิดที่มารู้ทันท <ะ S 2> ถือไม่หงุดหงิดเป็นความรู้สึกอย่างอื่นก็รู้ไปอย่างนี้ <ทะ S 2> รู้จนเห็นความจริงไม่มีอะไรที่เราบังคับได้ไม่มีอะไรที่เป็นตัวเรา <ทะ S 2> ไปดำอีกไปจิตไม่ถึงฐาน <ทะ S 1> รู้รรออกไหมเอออาวามาทำไม่ได้<อ> เขาถามว่าทายังไงให้จิตตั้งมั่นถ้าทำได้ก็จิตเป็นอัตตาไม่ใช่อนัตตาให้เรารู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตที่ไม่ตั้งมั่นเป็นจิตที่ฟุ้งซ่านไหลไปเดี๋ยววิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมันวิ่งไปหาอารมณ์มันหิวอารมณ์นี่มันแสสายเที่ยววิ่งหาอารมณ์ไปเรื่อยๆจิตมันมีความฟุ้งซ่าน ถ้าเมื่อไหร่เรามีสติรู้ทันว่าจิตฟุง้งซ่านนะความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติเพราะเมื่อไหร่มีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสแน่นอนงั้นะแค่รู้ทันจิตที่ไหลอะจิตจะตั้งเองนะแต่ถ้าจงใจให้จิตตั้งจิตจะแข็งเกิดไปเป็นตัวรู้ที่ผิดนะเออเป็นตัวรู้ที่บังคับไม่เกิดปัญญาหรอกทรมานตัวเองเนี่ยเห็นไหมใจไม่ชอบ เห็นไหมใจคล่ำครวญรีบอดครวนใหญ่เจอหลวงพ่อนะคล่ำครวนใหญ่เอยาอืมเออต้องอย่างนี้สิหกชั่วโมงนี่เลือกปกติเพหลวงพ่อแต่ก่อนไปหาครูบาอาจารย์นานว่นี้นะไกลกว่านี้บางที่รถยนต์เข้าไม่ได้ไปเดินบางที่รถเข้าได้แต่เราตอนนั้นไม่มีรถ นั่งรถทัวรไว้ทั้งคืนเลยถามทางไว้จากครูบาอาจารย์องค์หนึ่งวัด น, นี้อยู่ตรงไหนครับแต่งท่านก็บอกให้แต่ว่าเดินเข้ไปถึงไหมเนี่ยต้องจ้างรถเข้าไปเราไม่ค่อยมีสตางค์ตอนนั้นรับราชการใหม่ใหม่ท่านบอกว่าใกล้นิดเดียวแป๊บเดียวแหละยเราไปเดินสักเกือบวันหนึ่ง <laughs> กลับมานะเจ็บช้าน้ําใจมากเลยแ <laughs> ปลกต่อว่าท่านหลว ง, งพ่อบอกมาได้ เพราะว่าแป๊บเดียวเดินสะเกือบ ว, วันท่านบอกอ้าไม่รู้นี่มาไกลพอขึ้นรถอาตมาก็าเข้าสมาธิแปบ๊บเดียวออกจากสมาธิเอาถึงแล้วเ อ, อนี่เนาะก็เข้าสมาธิเป็นวันก็ได้อะเนะรู้สึกตัวนะรู้สึกไม่บังคับใจมันกระจายไปรู้สึกไม้มใจมันเจ้าออกนอกกระจายออกนอก ไม่ดึกคืนให้รู้ว่ามันเกิดจายรู้ด้วยความเป็นกลางให้รู้ทุกอย่างนะในกายในใจมีอะไรเกิดขึ้นรู้แต่ถ้ารู้แล้วยินดีให้รู้ทันรู้แล้วยินร้ายให้รู้ทันใจก็จะรู้ด้วยความเป็นกลางใันนี้กลางด้วยสติเป็นตัวรู้ทันสติเป็นตัวรู้ทันปัญญาเป็นตัวเข้าใจเมื่อต้งอาศัยสติรู้ทันความเปลี่ยนแปลงในกายในใจป จังสุดท้ายปัญญามันเกิดมันเข้าใจความเป็นจริงของรูปนามกายใจมันเป็นเองมันไม่ใช่เราถ่าถ้าเป็นกลางด้วยปัญญาเนี่ยถัดจากนั้นอริยะมากคจะเกิดแล่ะถ้ากล่างด้วยสติยังไม่เกิดอรอยิยมรรคจะขึ้นวิปัสสนานได้ของโยมไม่ใช่อะไรหรอกของโยมมันเป็นโมหะชนิดฟุง้งซ่านมันฟุ้งเก่ง งั้นเราหายใจเรารู้สึกหายใจเราทุกขสึกได้ๆเอารู้สึกตัวนะเห็นร่างกายหายใจรู้สึกตัวเห็นตัวนี้หายใจเห็นตัวนี้นั่งหายใจรู้สึกเรืยๆโอ้จิตตกจิตตก <c oughs> จิตไม่เคยตกเลย <c oughs> จิตมีแต่เกิดแล้วก็ดับเพียง <c oughs> แต่ว่าไอ้จิตที่ดีมันดับไปแล้ว <c oughs> จิตที่เกิดช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีท่าน จิตไม่มีตกหรอกจิตมีแต่เกิดแล้วก็ดับไปดับไปอพอสมควรนะวันนี้